ยัโยมได้พักบ้างก็แบบตอนเดินทางอนะหลับบ้างก็แบบอ่านั่นต้องทนหน่อยนะเพราะว่าอกิจกรรมที่วันนี้ก็มีต่อเนื่องกันอีกหลายชั่วโมงนะกว่าเราจะเดินทางนะกลับภูมิลาเนาเพราะเรามาจากที่จิตกันหมดลใช่ไหมอ๋อก็มา ามาเที่ยววัดบ่ อ, บอ ย, ยนะใช่ไหมปีละครั้งเลยก็ไตรนางจงกรคนรกโคตเด์คือพวกนี้เป็นคนโคโตเดย์อำเภอโคตเด์แต่ว่ามีคนที่มาที่มีสองตาบลนะเคยมาสามสี่ตาบลแต่ว่า ว, นวานนนันี้ปีนี้มาแค่สองตำอลจงกรมคนรัโคตเดย์ก็จะมีกิจกรรม การเรียนรู้เ อ, อ่อศึกษาหาความรู้มเข้าใจในเรือธรรมะเพื่อมาโัษณาชีิตเนี่ยครับก็ในพื้ที่ก็จะมีเดินละครั้ง ท, งที่ผ่านมาก็จะไปตามวัดต่างๆไปสวดมนต์ปฏิบัติความธรรมนะครับปีละครั้งก็จะมาที่กรายาครับปีนี้ก็มา พวกเรามาช้าไปหน่อยนะถ้ามาก่อนนยกสองปีไปได้พบหลวงพ่อมัเขีนหลวงพ่อนะมเขีนีนท่านเป็นผู้ที่ถึงแม้ไม่ได้ขอตั้งวันนี้นะเป็นคนแรกแต่ว่าท่านก็บุกเบิกวัดป่าสุกโตขึ้นมาที่นี่แต่ก่อนเมื่อสักสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นป่าที่เรียกว่าดิบเลยนะ สมัยนั้นเนี่ยเพิ่งมีการทำไม้ใหม่ๆเริ่มมีการให้สัมปทานตัดไม้เมื่อปีหนึ่งสองนะก็สี่สิบกปีมาแล้วขนาดปานการทำไม้มาแล้วนะป่าก็ยังเยอะอยู่ต้นไม้ใหญ่ๆนะเรียกว่าหลายคนออกก็ยังมีอยู่เยอะเนื่องจาก บริษัททาไม้นี่เขาเขาไม่สามารถจะตัดให้มันทั่วถึงได้เขาต้องรีดนั่นก็จะเอาเฉพาะต้นไม้อีกอย่างจริงแล้วก็เหลือต้นไม้ระดับกลางเอาไว้ระดับกลางกับระดับเล็กแต่ก็ยังเยอะเครื่องใหญ่อยู่มากหลวงพ่อท่านเล่าว่าตอนที่ชาวบ้านเนี่ยขึ้นมาตามทางชักลากไม้ คือปกติถ้า ม, มีทางชักลากไม้ชาวบ้านไม่มีปัญญาขึ้นมาเพราะว่ามันมันทึบมากมันมืดเรียกว่าร่มครึ้มทั้งวันเลยอันนี้พอมีการทำไม้ต้อมีการชักลากไม้มันก็เป็นทางทางที่เรามาเนี่ยนะก็คือทางชักลากไม้กับกองชาวบ้านขึ้นมาตามทางชักลากไม้ชาวบ้านก็ไม่มีอะไรก็ไปใค่ เ, เสือพื้นมอญใบก็ได้ ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่เยอะตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านขึ้นมาเพราะว่ามหาที่ทำกินที่ทำกินข้างล่างก็หมดนะก็ขึ้นมาแพร่ถางแต่ ใ, ใช่ว่าแพรวถางก็คงไม่ถูกนะเพราะว่าป่านี่มันยังมีมต้นไม้เยอะอยู่หลวงพ่อท่าเราว่าชาวบ้านเวลาจะจะจะถางป่านเนี่ยเพื่อเอาที่มาทำไร่เนี่ย เขไม่มีเรื่อยนต์นะไม่มีเรื่อยนต์ก็มีเรื่อยธรรมดาเรือที่ใช้สองคนเรื่อยเขาเรื่อยต้นเรื่อยต้นไม้เรื่อยไม่ให้ขาดเราก็ทำเงี้ยกับต้นไม้แต่ละต้นแต่ละต้นแต่ละต้นทําไมต้องเรื่อยทำไมเรื่อยไม่ให้ขาเพราะว่าถ้าเรื่อยขานี่มันเหนื่อยมากล้วก็จะเลือกเอาต้นไม้ต้นที่ใหญ่และสูงเนี่ย แล้วก็จะเลื่อยต้นไม้นั่นแหละให้ขาดเลื่อยต้นเดียวนะเลื่อยให้มันขาดเลยเพราต้นไม้มันถูกเลื่อยขาดมก็โค่ลงมามันก็ ม, มัน ก, นก็ทับต้นไม้ต้นอื่นๆเป็นโดมิโนโ น, นะอันที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะเป็นโดมิโ น, โนเนะเป็นอ่าเป็นลูกหลานไปเลยหลวงพ่อท่านว่าเนี่ยเสียงดังเนี่ยเป็นชั่วโมงนะเราลุกผ่ามนมสุดแเป็นเชโนแซ ตันมายัเยอะมากนะแล้วต้นไม้ ก, ก็จะกองอยู่บนพื้นเนี่ยนะเป็นสูงอันนี้มันกองเยอะมากนะจะปลูยยังไงเวลาจะปลูนี่ยต้องย่อนข้อโพลตามช่องว่างของขอนไมนะ้ เพราว่าชาวบ้านเนี่ยาท้าไม่แต่พื้นเลยนะชาวบ้านเนี่ยแต่ขอนไม้แล้วก็ย่อนนะเข้าโพดลงไปตามช่องว่างระหว่างขอนแล้วพอได้ผลผลิต ก, ก็เิ็บเกี่ยวถึงตอนนั้นก็เริ่มเข้าหน้าแรงแนละพอถึงหน้าร้อนชาวบ้านทำงานชาวบ้านก็เผาเผาขอนึกพาพวขอนเนี่ยจะเป็น ตะเคียนก็ได้นะาจะเป็นมนนะข่าก็ได้อาจจะเป็นยางก็ไนดะ้าก็กลายเป็นเท่า่ายหมดนะเพื่อนแรกกับข้าวโพดแรกกับเดือยใลเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นซ้ำ้างนะนา น, า น, านก็เหมือนกันนะ น, น่าแต่ก่อนเมื่อ20ปีก่อกนนะี่โอ้ยเป็นทะเลภูเขาเลยทะเลต้นไม้แต่ตนนี้ดูจากรูปถ่ายนะมันกลายเป็นอนะไร เป็นอะไรรู้ไหมเป็นไร้ข้อพยาเยาวเลยอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าหลวงพอ่อท่านก็มาเจอเห็นสภาพนี้ท่านก็เลยท่านก็มีความอยากจะอนุรักษ์ป่าแล้วท่านก็มีเรียกว่า มีความฝ่ายในเรื่องธรรมะเรื่องการทํำวิปัสสนากรรมฐานอยู่แล้วนะก็เลยอนุรักษ์นะีป่าคืนเนี่ยวไว้แล้วก็ทําเป็นวัดนะวัดป่าสุปโตเดิมชื่อวัดเอราวันที่ว่าว่าเป็นวัดเอราวันเพราะว่ามันเคยมีฝูงช้างอยู่ไอ้งช้างอยู่ฝูงหนึ่งนะเดี๋ข้างบนแต่ตอนหลังก็ถูกชาวบ้านยิ่งพรเมากี่เขาโพ มันก็หนีตัวที่หนีตัวที่ถูกกินไงนะค่อยๆเดินลงเขาไปช้างก็ช่วยกันดีนะตัวไหนตัวไหนเจ็บตัวไหนปวดตัวไหนถูกกินเขาก็อสองตัวก็จะคอยขนาดแล้วก็ค่อยหนีมื่อก็ถ้าเป็นคนเราก็คือค่อยๆประยุกมันไปอันนี้ก็เลยเรียกว่าวัดเอราวัณนะชื่อแรกตอนหลังหลวงพ่อท่านอยากจะให้ชื่อ มันมีความหมายที่ลึกไปกว่า น, นั้นเอระวัณ น, นี้ก็เป็นชั้นพระอินทร์นะพระอินทร์นี่ก็อยู่สวรรค์ชนะั้นต่ำๆชั้นดาวดวงตึงดาวดวงตึงนี่สวรรชั้นต่ํานะผมวงพ่อท่านว่าเนี่ยจริงๆคนเราต้องไฟมากกว่า น, นั้นนะนะไม่ใช่ไปแค่สวรรค์แม้แต่สวรรค์ชั้นสูงก็ยังไม่ยังไม่ควรต้องไปพ้นจากสวรรค์คือ น, นิพพาน สุกโตเนี่ยคือไปแล้วโดวยดีสุกโตไปไปแล้วดวยดีเป็นชื่อหนึ่งของพระพุทธเจา้าไปแล้วคือแล้วแล้วจากกิเลสนะจากความทุกข์นะไปจากกิเแลสแล้วกิเลสหรือว่าความทุกข์ตามไปไม่ถึงแล้วไปแล้วดีวดีคือนิพพานนั่นเองนี่คือชื่อที่มาของวัดป่าสุกโต แล้วก็ย้เห็นนะว่ารอบๆมันก็มันก็ไม่มีป่าแล้วยังถ้าไปไกลมันก็มีป่าป่าปูกลางก็มีวัดอยู่แล้ววัดไปหน่อยนะก็มีป่าที่พื้นใหญ่เรียกว่าปูหลงตอนนี้ก็มีวัดนะอันมาก็อยู่ประจําที่นั่นไปๆมาๆกับสุกโตวัดปูหลงไม่มีป่าวันสามพันกนไร่แล้วก็ป่าที่ดูแล รอบๆอีกรวมแล้วก็ห้าพันไร่ที่ช่วยกันดูแลตอนนี้นตอนนี้ก็ยังมีชาว บ, บ้านไปลากตัวเวนไปทำแนวกันไฟอยู่เลยเรวมมีกานทำตลอดปีนะเพื่อรักษาป่าแต่สุกโตนี่ก็ไม่ค่อยห่วงละเรื่องป่าเพราะว่าหลวงพ่อท่านสร้างกำแพงร้อมพื้นที่ห้า้อยไร่แล้วก็ไม่มีใครจะมา ตัดไม้แล้วกําแพงก็คอกันไฟไม่ให้ลามเข้ามาไฟไมันสายไฟก็มาจากไร่ไร่ไร่มันนะด้านนี้ชาวบ้านก็เตรียมพื้นที่เพื่อปลูกมันปลูกอ้อยข้าวโพดโดยพรมันกับข้าวโพดเนี่ยก็ต้องเผาเผาเสร็จมันก็ต้องพอลมแรงก็ลามเข้ามาแต่ยุนี้ปัญหาแบบนี้ไม่ค่อยเกิดละส่วนหนงเราชาวบ้านปลูกมันน้อยลงปลูก ปลูางมากขึ้นเดี๋ยวมองไปข้างหน้านี่ก็มนันไร่สวนยางกำลังโตหลวงพ่อท่านตั้งใจที่จะอนุรักษ์ป่าเพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมที่จริงถแม้จะไม่มีใครมาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านก็อยากจะอนุรักษ์ไปเพราะว่าท่านรักธรรมชาติและกรักธรรมชาติท่านก็เกิดจากการที่ได้พบธรรมะสมมว่าพอท่านพบธรรมะเนี่ย จิตใเนี่ยมีแต่ความรักธรรมชาติรักสรรพสัตว์แต่ก่อนเวลาท่านไปในตอนที่เป็นโยมเนี่ยถ้าคุณเป็นชาวบ้านทั่วไปมีหนี้ก็ถางก็ฟันต้นไม้แต่ว่าพอได้มาปฏิบัติธรรมได้มาพบธรรมจากการปฏิบัติกรุงพเทียนท่านก็ใจท่านก็รักไม่ใช่แค่รักธรรมะรักธรรมชาติด้วย แล้วยิ่งถ้าธรรมชาติ น, นเนี่ยนะมันมีคนมาอยู่แล้วก็ปฏิบัติธรรมชาติก็ช่วยทำให้เห็นจิตเห็นใจของเจ้าของนะแต่ธรรมชาติอย่างแรกที่อ น, นิสงส์อย่างแรกที่คนเราจะรู้สึกได้คือความสงบหลายคนเนี่ยมามาที่นี่เนี่ยพอเดินเข้าไปหดืนพอเดินข้ามสะพานไปนะก็จะรู้สึกเล ย, ว, ยว่ามันสงนบ เยียงรบกวนก็น้อยลงนะบรรยากาศก็นะร่มรื่น อ, อากาศก็เย็นสบายหลายคนก็จะประโยคแรกที่เวลาพูดถึงว่าป่าสุบโ ต, โตรหรือว่าเวลามามาพบปตัต ม, มาประโยคแรกที่จะ มากจะพูดกันคือว่าที่นี่มาสงบนะอันนี้ก็เป็นเป็นสเสน่ห์นะที่ดินดูให้ผู้คนมาที่วัดป่าสุขโตแล้วก็มาอีกหลายที่นะเพราะว่ามันมีป่าแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยความสงบเนี่ยเป็นสิ่งที่หายากพวกเราถ้าอยู่ในเมืองนะก็จะรู้ว่ามันมันมีเสียงดังตลอดเวลาโดวยเฉพาเมืองไทยเนี่ย นะเสียงเราจะไม่ค่อยประหยัดเรื่องเสียงนันเท่าไหร่ถ้าเป็นเมือง น, นอกอย่า ง, งยุโรปเนี่ยอย่างอเมริกาเนี่ยก็จะก็จะระมัดระวังเรื่องเสียงมากนะการกดแตรนะยิ่งเขาอยู่ในบ้านนะบ้า น, นจะเป็นเงียบเลยนะเพราะว่า้า้เขาเนี่ยมันปิดติดกระจกติดหน้าต่างเพราะเป็นเมืองหนาวจะเงียบนะแต่ว่าบ้านเรานี่ เป็นเมืองร้อนเราไม่ปิดประตูหน้าต่างนะเพราะฉะนั้นแม่อยู่ในบ้านก็มีเสียงดังเสียงผู้คนเสียงรถนะแล้วก็ชีวิตที่เร่งรีบนะชีวิตที่เร่งรีบก็ทำให้ใจมันพุ่งสร้างใจมันว้าวุ่นนะนั้นก็เลยพูดสือว่าความสงบกายปเป็นเรื่องที่หายยาก งพอมาวัดเนี่ยโอ้บรรยากาศมันแตกต่างกันก็รู้สึกประทับใจนะความสงบแม่หลวงพ่อท่านตอนที่ท่านมามาสร้างวัดมาบุกเบิดวัดที่เนี่ยหลายคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมาอยู่ที่ไกลอย่างนี้แม้แต่ลูกศิษย์หรือเพื่อนแม้แต่เพื่อนพระด้วยกันก็ ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะยเดี๋ยวจะให้ท่านไปไปสอนธรรมะแถวชานเมืองนะท่าเคยไปนะวะัดวัดชระทานวัดสวนแก้วรวมทั้งวัดสนามไนนะวัดสนามไนก็อยู่ตรงแถวสะพานกรุมทนนะสังคี เฉลิมพระท่านก็ยังอยากจะมาฝักหลักที่นี่แต่ว่าก็ไม่ลังเกียนนะมีกิจนิมนต์ที่กรุงเทพฯผาดใหญ่เชียงใหม่ท่างก็ไปแต่เสร็จแล้วท่านก็มาที่นี่หลายคนกขาบอกว่ามาที่นี่มันไกลนะสมัยก่อนเดินทางลําบากจากแจ้งครอขึ้นมาบนเขานี่สองชั่วโมงนะสาสกิโลเนี่ยก็ทางมันเป็นทางลูกราง ต่ว่ารุ่มลังก็ไม่เชิงนะเป็นทางดินมากกว่าเป็นหลุมเป็นบ่อยเยอะคือเพราะหน้าฝนแต่หลายคนก็พอมาถึงแล้วเอองที่มันเย็นสบายนะสงบอัตมาว่าความสงบเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้คนในปัจจุบันเนี่ยให้เข้าหาธรรมะมากขึ้นแต่ความสงบเนี่ย ม, มีสองอย่างนะสงบ สงบภายนอกกับสงบภายใ น, นสงบภายนอกก็หมายถึงสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีเสียงรบ ก, กวนอย่างเช่นตอนนี้เสียงรบ ก, กวนก็น้อยนะอันนี้เรียกว่าสงบนอกเราจะเรียกอย่างนี้ก็าสิ่งแวดล้อมสมสงบเงียบหลายคนเนี่ยเสาร์อาทิตย์แล้วก็อยากจะออกไปเขาใหญ่อยากจะไปทะเลอยากจะไปภูเขา เพื่อจะได้พบกับความสงบเราคิดว่าถ้าอยูท่ที่ที่สงบแล้วเนี่ยใจมันจะสงบด้วยนะสงบข้างหลังประการหลังนีเรื่องสงบในเนะใจจะสงบได้เนี่ยนะส่วนนึงก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมภายนอกที่สงบถ้าอยู่บ้านที่มันว้าวุ่นนะอยู่ในเมืองที่มันวุ่นวาย ใจก็สงบยากนะหลายคนไม่อยากอยู่บ้านเพราะว่ามีเสียงโทรทัศน์เสียงบน่นเสียงว่านะ ม, นนมีน้อนนี่แม้แต่เสียงเพลงก็อยากจะมาที่ที่มันไม่ค่อยมีเสียงรบกวนแต่ไปนในที่ที่มีเสียงรบกวนแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าใจจะสงบนะ ยิ่งสมัยนีย้คนเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือนะนะข้างนอกเนี่ยรอบตัวไม่มีเสียงเลยนะมีแต่เสียงเสียงลมของธรรมชาติแต่ใจจะไม่สงบก็ได้เพราะว่าไปเปิดดูนะไปเล่นลายไปเปิด Facebook เจอข้อความเจอข้อความส่งมาทางลายจากเพื่อน บ า, าาาบางทีเพื่อนก็มาต่อว่าบางทีเพื่อนก็คอมเมนต์นะในทางลบนะ facebook นะพราะเราเล่นไลน์ a c e b o o k บ้างแล้วนะถ้าไม่เล่นก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเสียงที่จะมารบ ก, กวนใจให้ไม่สงบก็น้อยลงแต่คนสมัยนี้ขาดไม่ได้ได้นะจะอยู่ป่าที่ไม่มีเสียงรบ ก, กวนนะแต่ว่าพอเจอเสียงพวกนี้นะ ไม่ใช่เสียงอ่ะเป็นข้อความจิตใจก็ไม่สงบแล้วแต่ถึงแม้จะไม่มีโทรศัพท์มือถือนะถ้าเป็นนึกโนนนึกนี่นะมันก็ไม่สงบเหมือนกันนึกถึงลูกที่กำลังป่วยนึกถึงพ่อแม่ที่เข้าโรงพยาบาล น, นึกถึงหนี้สินที่ยังไม่ได้ชาระนึกถึงงานการที่ยังไม่ได้ทำหลายอย่างแค่ในี้ใจก็ไม่สงบนะแม้ว่าข้างนอกนีจะสงบก็ตามแต่ข้างในไม่สงบ พราะฉะเนี่ยถึงแม้เราจะแสวงหาความสงบจากภายนอกนะสิ่งแวดล้อมที่สงบมาป่ามาวัดมาอยู่ไปอยู่รีสอร์ทนะมันก็ไม่สงบ ก, ก็ได้ไม่สงบที่ใจเ้าจะทำยังไง ก, ก็ต้องอาศัยการทำใจการฝึกใจนะ ที่จริงเนี่ยคนเราเนี่ยถ้ า, าว่าเรารู้จักรักษาศีล น, นะการรักษาศีลเนี่ยก็มันช่วยทำให้เกิดความสงบในใจได้เหมือนกันนะการให้ทานการรักษาศีลเมื่อเราให้ทานจิตใจเราอินเอิรนะไม่วาุ่นเมื่อเรารักษาศีลไม่ต้องมากนะเอาศีลห้าก็พอเราก็จะไม่มีเรื่องเตือนเนื้อร้อนใจ คนที่มีเรื่องเลือดร้อนใจนะส่วนใหญ่ก็เพราะว่าไม่มีศีลนะไปลักขโมยนะไปทำร้ายเขาไปเป็นชู้กับเขานะโกหกหลอกลวงเขาหรือว่าแม้ก็ทางไปฆ่ามันก็ทำให้ไม่มี ความสงบนะมีแต่เรื่องเกิดเนิร้อนใจอยู่ร้อนนอนทุกข์นี่ถ้าเราต้องการความสงบใจอย่างแรกที่เราต้องทําก็คือว่าต้องรักษาศีลศีลในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงศีลห้าเท่านั้นแต่หมายถึงว่าการไม่เบียดเบียนศีลเป็นเรื่องการไม่เบียดเบียนด้วยกายวาจาเอาแค่นี้ก่อนนะไม่เบียดเบียนด้วยกายหรือ ว, วาจาเราไม่ไปทําร้ายเขาเราไม่ไปคดโกงเขาไม่ไปหลอกลวงใครเราก็ไม่ต้องระแวง ว่าใครจะมาทำร้ายเราเราก็ไม่รู้สึกไม่รู้สึกผิดนะที่เราทำสิ่งที่ไม่สมควรนะีฉยั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำให้ไม่มีเรื่องเดือดร้อนใจนะเราก็รักษาสีลห้าหรือถ้าดีทำมากกว่า น, นั้นนะเช่นสีลแปดสีลแปดเนี่ยนะโดยเพราะข้อที่เจ็ดเนี่ย ถ้าเราไม่ไม่ไม่ไปยุติดกับพวก ส, สิ่งประดับประดาความบันเทิงเริงรมย์นะอยู่วัดเราก็อยู่สบายอยู่ที่ไหนเราก็อยู่สบายแต่ถ้าคนที่ติดสีเสียงติดแสงสีเสียงการร้องเล่นนะสิ่งที่เจ็บเป็นเรื่องนี้ทั้งนี้พวกนี้แหละแสงสีเสียงการร้อเล่นการประดับประดา พอติดแล้วเนี่ยต้อเกิดความความว้าหุ่นในใจถ้าไม่ได้เสรนะคนที่ติดนะกับการแต่งหน้าแต่งตาถ้าวันไหนไม่ได้ทาหน้าทาตาก็รู้สึกไม่สบายใจนะรู้สึกขาดความมั่นใจอันนี้ก็เป็นความเดือดเนื้อร้อนใจอย่างนเหมือนกันนะเป็นอันนี้เยอะนะคนที่พอไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาไม่ได้ทาคิว้วไม่ได้ปะหน้าทาแป้งไม่ได้ทาลิปสติกนะ จะเป็นไหนก็รู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกร้อนใ จ, นะจเป็นความทุกแบบนหนึ่งเพราะว่านะยังไม่ ไ, มไดนะ้ขัดเกลาวตัวเองนะด้วยการรักษาศีลแตกถ้าเรารักษาศีลให้ดนะีรวมทั้งไม่เพียงแต่ว่าไม่ทำสิ่งที่ไม่สมควร แต่ว่าทำํำถึงที่สมควรด้วยเช่นความเมตตากรุณาเวลาพูดถึงศีลนี่นะศีลห้าเนี่ยคนมักจะเข้าใจว่าไม่ทํามันไม่ทํานี่อันนี้เป็นความเข้าใจาที่คับแคบนะเพราะว่าศีลห้าเนี่ยนอกจากไม่ทําแล้วเนี่ยยังมีสิ่งที่ควรทำด้วยเช่นศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์นะสิ่งที่ต้องทําคูบคู่ไป ค, คือความเมตตาเมตตากรุณา ข้อที่สเนี่ยนอกจากไม่รักทรัพย์แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องมีก็คือสัมมาอาชีวะข้อที่สเนี่ยนอกจากไม่ประพฤติในกาลไม่ต้องมีตามมาก็คือความพอใจในผู้ครอบนะข้อที่4เนี่ยการไม่ลักการไม่ขโมยไม่ไม่พูดปดเนี่ยเพรานั้นไในพรต้องตามมาด้วยการรักสัจจะมีความชิดตรงข้อที่5เนี่ยนอกจากไม่ สรจสุรายาเมาแล้วเนี่ยจะ ต, ต้องมีอีกข้อนึ่งต้องมีสิ่อตามมาคือสติสัมปชมัญญะเวลาเดี๋ยวนี้เวลาเราสอนสื่อห้าเราสอนแค่ขึ้นเดียวคือสอนว่าไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่จริงไอ้สิ่งที่ควรทำก็ควรสองด้วยตอนหลังเราก็แยกเอาเมตตาสัมมาชีวะความพอใจในผู้ครองรือสันตถีเนี่ย รวมทั้งความมีสัจจะสติสมัธิงานแยกไปเป็นเบญจธรรมกลายเป็นว่าแยกไปเลยนะเบญจสีนันนึงเบญจธรรมอันหนึ่งที่จริงไม่ใช่เบญจธรรมก็คือส่วนหนึ่งของเบญจศีนันน่ะนี่ถ้าเราทําทั้งครบถ้วนนะมันก็จะมีความเย็นใจมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ใช่หลักประกันร้อเร์เซ็นะว่าจะทําให้ใจสงบได้ คนที่ทำความดีรักษาศีล น, นะไม่ว่าศีล5ศีล8หรือว่าศีล20ก็แล้วแต่แม้แต่ศีล2 27ข้อเนี่ยอพระเนี่ยก็ยังสามารถจะมีเรื่องให้วิตกกังวลให้รุ่มใจให้เครียดได้อันนี้เรียกว่าถ้ามีเมื่อไหร่ก็แสดงว่าใจไม่สงบ คนทำคนดีหลายคนก็มีความกุ้งหมวกกุ้งใจเรื่องคนรักเจ็บป่วยมีความเศร้าเสียใจที่เงินถูกขโมยทรัพย์สมบัติถูกโกงมีความเศร้าเสียใจที่คนรักเขานอกใจเรามีความทุกข์ใจที่ถูกต่อว่าด่าทอถูกนินทาอันนี้ก็เรียกว่าไม่สงบนะ นั่นถ้าเกิดว่าเราต้องการความสงบนะสงบใจนะเราจากการไปหาสิ่งแวดล้อมที่มันสงบไม่มีเสียงรบกวนอย่างที่พรุทธเจ้ตาตรัสว่าเนี่ยการนอนการนั่งในที่อสงัดนะในโอวาทปฏิโมจะมีข้อนนีะ้การนอนการนั่งในที่สงัดข้อนี้เป็นธรรมสอนสอนพรุทธเจ้านอกจากการไปสอหาที่นอนที่นั่งที่อยู่สงัดนอกจากการไม่ไปทําร้ายไม่เมตเบียนไทย แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำนะถ้าต้องการความสงบใจนะคือการฝึกจิตฝึกจิตให้สงบนะเช่นการทําสมาธิเนี่ยการทําสมาธินันก็ช่วยทําให้จิตใจหาวะหายวะหายวะวุ่นได้นะเพราะว่ามันทําให้เราปล่อยวางนะความวิตกกังวลปล่อยวางความฟุ้งซ่าน โยมเนี่ยมันทําบุญให้ทานรักษาศีลแล้วนี่นะอย่าละเลยการทำสมาธินะจะสมาธิโดยการหลับตาตามล ม, มหายใจการเดินจงกรมก็แล้วแต่ขอให้มันเป็นการฝึกให้จิตรู้จั ก, จกปล่อยรู้จักวางวางอะไรปล่อยอะไรก็ความฟุ้งซ่านนั่นแหลนะซึ่งส่วนใหญ่ก็มีไม่พ้นเรื่องการคิดถึงอดีตด้วยอะไรหรือไม่ก็ คิดถึงอนาคตด้วยความวิตกกังวลอันนี้พระเจ้าทำไมแนะนํานะพระผู้เจ้ า, นนะ า, าตรัสว่าเนี่ยบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วโดวยอะไรและไม่พึงผวาหวงถึงถึงที่มาไม่ถึงอะไรที่ยังอะไรที่มันยังไม่ถึงอย่าไปพววงมากพวาหวงแล้วมันจะเสียใจมันจะกุ้มใจอย่างบางคนเนี่ย ก, กุ้มใจแล้วนะเศรษฐกิจปีหน้ามันจะขาลงยิ่งกว่า น, นี้คุณก็จะตกกว่านี้ เงินบาทก็จะต่ำกว่านี้นะนี่ก็จะบานมากกว่านี้นะมอคแค่แค่นี้ก็กุ้มใจแล้วทนะั้งที่มันหนึ่งบาทไม่ถึงเลยหรือสิ่งที่ผ่านไปแล้วเนะี่ยผ่านไปแล้วเยเงินก็หายไปแล้วสูญไปแล้วเอากลับคืมนมาไม่ได้แล้วก็ยังคิดถึงมันอย่งนั้นเนะี่หรือว่าคําต่อว่าด่าทอคาเตะชิ้นนินทานไอคนพูดแต่ลืมไปแล้วว่าพูดอะไรไป เราเก็บมมาคิดอีกต้องปล่อยต้องวางนะและวิธีปล่อยวิธีวางเนะคือการทำสมาธิทำสมาธิเอาจิตมากาหนดที่ลมหายใจนะเมื่อจิตมีที่ลมหายใจหรือว่ามาจิตอยู่ที่การเดินยกมือสร้างจังหวะการเดินเคลื่อนไหวจิต ม, มารับรู้กายอยู่กับกายมันก็วางเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมันกลังอยู่กับปัจจุบันอันนี้เรื่การเจริญสติ ต้องรู้จักฝึกนะเพราะถ้าโยมไม่ฝึกนะทําความดีแค่ไหนก็ยังมีความทุกข์นะมีความเล่าร้อนมีความพุ่มใจนะแล้วก็ถ้าให้ดีเนี่ยนะไม่ใช่เวลาเราฝึกสมาธิเนี่ยไม่ใช่ฝึกด้วยการไม่รับรู้อะไรนะหลายคนจะถนัดวิธีนี้คือไม่รับรู้อะไรเช่นอยู่ในห้องเคราอยู่ในห้องแอร์ปิดวิธีว่ปิดโทรศัศน์ปิดโทรศัพท์มือถือ ไม่ให้คนเข้ามาหาล็อกประตูปิดตาไม่ได้ยูไม่ได้เห็นไม่ได้อะไรแลให้จิตมารับรู้เรื่องลมหายใจจิตไม่ต้องไปรับรู้อะไรก็สงบได้แต่พอไปรับรู้อะไรเข้าสักอย่างนะโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ไม่ถูกใจนี้บางทีความโกรัวมันพุ่งพล่านขึ้นมาเลยนะ มีนักปฏิบัติคนหนึ่งนะและแกก็ไปปฏิบัติอยู่นะที่สมาคมแห่งหนึ่งพุทธสมาคมก็มีคออลับอบรมแกก็มาปฏิบัติตั้งแต่เช้ากลางวันถึงเย็นจิตใจก็สบายอยู่ในห้องแอร์ไม่รับรู้อะไรไม่ได้ยินเสียงไม่รับรู้ข่าวสารอะไรบังคับจิตให้มันอยู่กับที่ไม่ต้องคิดอะไรพอได้เวลากลับบ้าน ห้าโมงเย็นลงมาจากห้องปฏิบัติจะขึ้นรถเพราะว่ า, วารถเนี่ยออกไม่ได้เพราะว่ า, วามีรถคันหนึ่งจอดซ้อนเอาไว้จะกโกรธเลยนะโกรธแบบอย่างแรงเลยนะถึงกับก่าวความเคารพสวาสออกมากล่าวความยากออกมาดานะคนที่เอารถมาจอดซ้อนทันแบบนั้น จนกระทั่งนคนที่เขาเห็นว่าแปลกใจนี่นักปฏิบัติธรรมคนนี้นะขึ้นทําสมาธิปฏิบัติธรรมหย่งหยงนะอ่ากลายเป็นอ่ากลายเป็นโกรธไปแล้วนะอันนี้เป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้เท่าทันไม่รู้เท่าทันจิตไม่รู้เท่าทันความโกรธ พอเจอสิ่งที่มากระทบแล้วเกิดความยินไายขึ้นมาก็ไม่รู้เท่าทันนะอารมณ์ที่เกิดขึ้นแถนปรุงแต่งต่อจนท่านเกิดความโกรธอ้ามใจไม่อยู่ต้องดุด่าว่ า, ากล่าวหรือว่ากล่าวคําเพรตสว่าเมื่อกี้เพิ่งยังสงบอยู่เลยนะแต่มาตอนนี้ระเบิดมาแล้ว่าที่สงบเพราะว่าไม่รับรู้อะไรเนี่ยไม่รับรู้อะไรแต่พอมารับรู้นะ เห็นตากระทบรูปนะเห็นรถถูกจอดซ้อนทันเนี่ยไม่พอใจทันทีที่จริงเนะถ้าเรารู้จักเท่าทันจิตนะเท่าทันอารมณ์เวลามันเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยก็รู้ทันมันซะรู้ทันมันเท่านั้นแหละมันก็ดับไปได้อารมณ์เนี่ยไม่ว่าบวกหรือลบดีหรือร้ายเนี่ย มันเกิดขึ้นเมื่อเราไม่รู้ตัวมันเกิดขึ้นเมื่อเราปรุมแต่งด้วยความหลงแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวขึ้นมาเนี่ยนะมันก็จางอยู่ไม่ไดนะ้ธรรมชาติของอารมณ์เปอย่างนั้นนะไม่ตอาไปกดคมมันแค่รู้ทันนะและการรู้ทันนี่รู้ด้วยอะไรรู้ด้วยสติเนะฉะั้นถ้าเราต้องการความสงบใจเนี่ยนะเราต้องมีฝึกสติของเราให้ไหวเพราะสติช่วยทําให้ใจสงบได้ แม้แม้ว่าจะมีอะไรมากระทบนะรูปมากระทบตาเสียงกระทบหูนะแม้มันจะไม่สงบข้างนอกนะแต่ว่าใจสงบได้นะข้างในสงบในสงบนอกแม้อาจจะทำให้สงบในได้ร้อเซ็นต์นะชั้นใดแม้ข้างนอกเนี่ยวุ่นวายแต่ว่าใจสงบได้นะไอ้ที่ไม่สงบสงบเนี่ยเรามักจะไปโทษว่าเป็นพ่อเสียงดัง เป็นเพราะเสียงดังเป็นเพราะเขามาพูดไม่ดีกับเราอันนั้นไม่ใช่ใส่สำคัญนะใส่สำคัญที่ใจเราใจเรามันเกี่ยวข้องกับเสียงนั้นไม่ถูกนะไปเก็บเอามาคิดเป็นเพราะเราไม่มีสติเนี่ยหูก็เลยหาเรื่องจิตกเ็เลยเป็นทุกขนะ์เคยมีเรื่องเล่าว่าเนี่ยเกี่ยวกับหลวงปู่พุตรดานะสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะท่านมาณภาพไปยี่สิบปีแล้ว ตอนนั้นท่าอายุน้อยหนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาสักห้สิบปีมาแล้วมีความท่านได้มีมให้ไปฉันในกรุงเทพนะท่านฉันเสร็จท่านก็จะกลับวัดที่สิงห์บุรีแต่สมัยก่อนเนี่ยสิงห์บุรีมันไกลนะใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะถึงเพราะถนนไม่ดีรถก็ไม่เร็วโยมก็เลยนิมนต์ท่านพักก่อนพัฒนาอายุมากก็จัดห้องให้ท่านพัก ท่านก็นเอ็หลังมีลูกศิษย์สีห้าคนมานั่งเป็นเพื่อนลูกศิษย์เวลาคุยกันก็ซิกขาทราแต่บังเงินห้องที่ติดกับที่หลวงปูด่ดาเอ็หลังอยู่เนี่ยมันเป็นเป็นร้านชำร้านชำนี่เจ้าของเป็นอมมาม่าอาซินคนจีนสมัยก่อนเนี่ยเขาสวมเกียร์ เกียร์มาไม่ได้สวมรองทัาแต่รองเท้ายางอางสมัยนี้แล้วเกียร์ไม้เวลาเดินก็ดังดังนะยิ่งขึ้นบันไดก็ยิ่งดังเพราะว่าบันไดเป็นเป็นไม้เสียงก็ดังเข้ามาในห้องที่หลวงปู่บุดาพักผ่อนอยู่รู้สึกว่ไม่พอใจหงิขึ้นมาก็เลยพูดว่าเนี่ยเดินเสียงดังนะไม่เกยงใจกันเลยหลวงปู่บุดานี่ท่านหลับตาก็จริงแต่ว่าท่านได้ยินนะท่านก็เลยเปิดขึ้นมาเบาวๆว่า เขาเดินเขาขออีู่ดีเราหูไปลองเกีย้ยเขาเองเสียงเกีย้ยไม่ใช่ปัญหานะปัญหาเพราเราเอาหูไปลองเกีย้ยที่เอาหูไปลองเกีย้ยพ่อเราก็ไม่มีสติจิตมันไปจดจ่อยที่เสียงๆๆนเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทุกเนี่ยนะทุกไม่ใช่พ่าเกีย้ยนะทุกพ่อหูไปลองเกีย้ยเวลาเวลาเสียงดังเนี่ยนะถ้าเราทุกมาเลยแสดงว่าใจเราเนี่ยมันวางไว้ไม่ถูกใจเรามันไปทะเลาะเบาแว้งกับเสียง อีกครั้งก็มีเรื่องเล่าว่านะสมัยที่หลวงพ่อชาญท่านยังมีชิดอยู่หลพ่อชาญสุภัทโทกับนพพงศ์หมู่บ้านที่ติด ก, กันเนี่ยคล้ายหมู่บ้านนาวัดเนี่ยเนะี่ยเขามีเ ข, า ม, ขามีมหรสพนะทั้งวันทั้งคืนเลยคงเป็นงานศันนะไอ้ตั้งวันไม่เทาไแต่ตั้งคืนนี่เลยนะเสียงดังทั้งหมอรำหนังการแกลงลูกทุ่ง เครือขยาเสียงก็เปิดเต็มที่เลยพระนอนไม่หลับ่อเลยไปบอกส่งตัวแทนไปบอกพู่ใหญ่บ้านว่าให้ช่วยให้หมอรสมนี่ให้มีจนถึงตีหนึ่งได้ไมพระจะได้มีโอกาสนอนสองชั่วโมงตีสานพรยได้ตื่นมาทำวัน พี่ยหญบ้างก็ไม่อยอมพระเลยไม่มีที่พึ่งอื่นใดนอกจากหลวงพ่อชาก็ไปการาบหลวงพ่อชานะขอรบกวนหลวงพ่อชาท่านไปบอกชาวบ้านให้หลีเสียหน่อยนะพระก็คิดว่าหลวงพ่อชาจะเห็นด้วยเพราะว่าท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่รักควาสมสงบแต่ตรงข้ามวนะ่าท่านท่านไม่เห็นด้วยแล้วท่านพูดว่าเนี่ย เสียงไม่ได้รบกวพนพวกท่านพวกท่านต่างหาที่รบกวนเสียงเข้าใจมหมพวกท่านต่างหาที่รบกวนเสียงบ า, ง, า, บบบานะงท่าก็ไปทะเลาะบาะแว้งกับเสียงนะใจท่านเน่ะไปทะเลาะบาะแว้งกับเสียงใจท่านไปเป็นลบกับเสียงนั้นแต่ของท่านไปยินร้ายกับเสียง น, ะนั้นเหตุเวลาเวลาเราเจอนะ เ, เ, นะเสียงดัง น, น, นะให้เราตืาอนใจตัวเองนะว่าเสียงไม่ได้รบกวนเรานะเราต่างหาที่จะอาจจะไปรบกวนเสียงเน้น <c oughs> ส่วนคนส่วนใหญ่ไม่รู้ไม่ไม่รู้ทันจิตใจตัวเองนะว่าไปทะเลาะบาะแว้งกระเสียงเนี่ยหรือเอาหัวไปลองเกลี้ยตรงนี้แหละที่สติสําคัญนะมีสตินะเมื่อมีสติหูมันก็ไม่ไม่เอาหัวไปลองเกีย้ยเมื่อมีสติใจมันไม่ไปทะเลาะบาะแว้งกระเสียงเสียงดังก็ดังไปก็สักแต่ ว, ว่าได้ยินเสียงดังข้างนอกแต่ว่าใจสงบได้นายโยมไม่ใช่ว่าต้องให้เสียงข้างนอกมาสงบใจมีนจะสงบได้ ถ้าทำงี้นี่เสร็จเลยนะเพราะว่าเรากลายเป็นธาตุของสิ่งแวด ล, ล้อมภายนอกคงไม่ตาจากหมานะหมาที่วัาตมาเนี่ยที่นี่เลยที่นั่นด้วยที่ผู้หลง เ, ลเวลาตีละครั้งเนะ่หมาจะร้องตีที่ลายหมาก็ร้องทีนะถ้าตีถีหมาก็ร้องถีถ้าตีาาตห่างหมาก็ร้องห่างตีดังหมาก็ร้องแรงตีเบาหมาก็ร้องค่อยมันเป็นธาตุของเสียงไปแล้วนะ เราจะเป็นอย่างนั้นเหรอนะถ้าเสียงดังเราทุกขนะ์ถ้ามีเสียงเพลงมาเราออสุขนะนี่เราก็เป็นธาตของเสียงแล้วเราปล่อยให้เสียงมากาหนดจิตใจเราอันนี้ไม่ควรนะมนุษย์เราเนี่ยต้องเป็นอิสระจากเสียงจากสิ่งภายนอก้อนภายนอกถ้าทำนี้ได้เนี่ยนะเวลาเวลากายป่วยนะเวลากายป่วยใจก็ไม่ป่วยนะ เวลากายป่วยใจก็ไม่ป่วยกายก็ป่วยไปใจไม่ป่วยใจไม่ทุกข์อย่างหลวงปูป่บุตรานี่ก็มีคานึงท่านแบท่านไปผ่านานิ่ในตายไหมผาเสร็จสิบห้านาทีท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วใครมาช่วยแล้วบอกหมอหรือท่านจะกลับวันละหมอก็ตกใจนะเพราะว่าคนหนึ่งผ่านน้อย ก, ก็ท่านยังบอกว่าเจ็บเลยเนี่ยหลวงปู่ไม่เจ็บเลยหมอถาม ปูธบุต้านก็เจ็บสิทำไ ม, มไม่เจ็บนะแต่ว่าถําพอมเจ็บสิทไ ม, มไม่เจ็บร่างกายของฉันก็เหมือนกับคนทั่วไปวนั่นแหละแต่ว่าใจไม่ได้เจ็บด้วยนะ <S <S อย่ามาปนกันตอนปูธบุตดานเนี่ยกลายกับใจนี่มันแย่กัง น, นะใจไม่ได้เป็นท่าของกายนะ <S <S <S <S ถ้าเราปล่อยให้ใจเป็นท่าของสิ่งว่าล้อมนะต่อไปเวลาใจเจ็บเวลากายเจ็บกายปวดนะ ใจมัก็เจ็บใจมนก็ปวดด้วยเราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรปฏิบัติธรรมเพื่อให้เป็นสระอิสระจแลอิสร ะ, ะจากสิ่งร่นอนร้องแยดร้อนใจก็ไม่ทุกข์อาการหนาวใจก็เป็นปกติเป็นอิสระจากกายได้ั้ำ น, นะใจเหมือนกัายปวดใจก็ไม่ปวดนะกายแก่ใจก็ไม่แก่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ทุกข์นะแม้จะสูญเสียพัดพร่าใจก็เป็นปกติได้ ตรงนี้เนี่ยต้องอาศัยการฝึกจิตนะฝึกจิตให้มีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ฝึกจิตให้มันเกิดปัญญาจนเห็นความจริงเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงว่ามันไม่เที่ยมมันไม่แน่นอนฝึกจิตได้เห็นว่ามีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสารเสรื่อมก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์ฝึกจิตได้เห็นว่าเนี่ยอะไรอะไรก็ไม่เที่ยม ความพัดพาสูญเสียเป็นธรรมดาพวกนัาคือเห็นสัจธรรมนี่จำเป็นนะเพราะว่าถ้าเราฝึกไม่ถ้าเราฝึกไม่ไม่เห็นสัจธรรมเนี่ยใครด่าว่าเราก็ทุกข์นะใครด่าว่าเราก็ทุกข์เมื่อว่าฉันได้ยังไงฉันเป็นคนดีฉันทำดีฉันไม่เคยเดือดร้อนใครจะมาว่าฉันได้ยังไง แต่ถ้าเราเห็นความจริงว่าคนดีก็ถูกว่าได้เพราะว่าสารเสริญกับนินทาเกิดขึ้นกับทุกคนนะไม่มีใครที่รอดพ้นจากคำตำหนิติชิ่นมนินทาได้แม้แต่พระเจ้านะไม่เบียดเบียนใครไม่ทำร้ายใครสร้างกับประโยชน์สูงแก่มนุษย์ก็ยังถูกคนใส่ร้ายว่าไปมีชู้กับผู้หญิงไปฆ่าผู้หญิงตายแล้วมีคนแม้กระทั่งรอบทำร้ายนะ นี่ถ้าเกิดมีคนทําร้ายเราทางวาจาถือว่าเล็กน้อยนะเพราะว่าผู้จ่านี่เจอหนักกว่า น, นี้ยิง่งภาษาบอียิ่งพระโมคคัลลา น, น, นี่โดนโจนทําร้ายนะเกิดตายเลยเนะี้ยคือมองว่าเป็นถ้าเรามองว่านี่มันเป็นธรรมดาโลกนะทําดีแค่ไหนก็ก็ไม่พ้นการดินทาได้ทําดีแค่ไหนก็อาจจะถูกทําร้ายได้ทําดีแค่ไหนก็อาจจะสูญเสียพัดพลาดได้ อันนี้คือความจริงนะถ้าเราไม่เห็นความจริงตรงนี้เราทุกข์นะทำความดีก็ยังทุกข์นะทําบุญให้ทานมาเป็นล้านล้านนะก็ยังทุกข์นะเพราะว่าไม่รู้เท่าทันความจริงที่เป็นสัจธรรมหรือธรรมดาเมื่อสักสักสี่สิบห้าสิปีก่อนเนี่ยที่สุรินนะมันมีมันมีไฟไหม้ครั้งใหญ่บ้านเรือนถูกเผาเป็นร้อยหลังนะคนสิ้นเนื้อกระดาษตัวก็เป็นร้อยเป็นพัน เสียหายหลเสียหายกันมากมายก็มีโยมก็มีโยมหลายคนนะมีความทุกข์มากนะก็มาเล่าด้วยตัวเองว่ามีคนมาเล่าให้ฟังบางให้หลวงปู่บุตรดาฟังให้หลวงปู่เดืนหลวงปู่เดือนตูโลยที่ท่านอยู่วัดดุรพาลานไปลูกเสร็จรุ่นแรกของปู่มันนะนีบางคนบอกว่าเนี่ยปู่ญาติตายายเขาก็ทําบุญ พ่อแม่เขาก็ทำบุญไม่ขาดตัวเขาเองใส่บาตร้ากริ่นท่าผ่าปา่าก็ไม่เคยปฏิเสธแต่ทำไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้นะทำไมบุญไม่รักษาธรรมะไม่คุ้มครองต่อไปจะไม่ทำบุญจะไม่เข้าวัดแล้วนะผิดหวังนะที่เกิดไฟไหม้ก็มีคนมาเล่าหลวงูกก่ตูนฟังหงูตงก็บอกว่า ไฟมันทําหน้าที่ของมันแล้วท่านก็บอกว่าธรรมะเนี่ยไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีหน้าที่อย่างนั้นนะแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยความวิบัติความเสื่อมความอันตรายทางความพัดพร้าเป็นธรรมดาโลกไม่มีใครหนุนพ้นหน้าที่ของธรรมะก็คือว่ า, าผู้สิ่งที่ผู้ฝ่ายทําหรือว่าผู้มีทําไะเองร ม, มั ค, มคือว่าเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วทําอย่างไรจริงจะไม่ทุกข์ อันนี้ตาหาเป็นหน้าที่ของธรรมะเป็นประโยชน์ธรรมะไม่ใช่ว่าธรรมะจะห้ามไม่ให้หิวป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยหรือว่าอป้องกันไม่ให้ไฟไหม้ได้เนี่ยคนที่โยมที่เขามาตัดพ่อหลวงปู่ดูลินเนี่ยนะเขาทําดีก็จริงนะแต่เขาไม่เห็นความจริงทําดียังไม่พรอต้องเห็นความจริงเลยต้องฝึกจะเห็นความจริงว่า ความวิบากความอันตราทางความพัดพ้าความสูญเสียเป็นธรรมดาลโลกนะหน้าที่ของธรรมะคือว่าเมื่อเจอเหตุการณ์นี้ทำอย่างไรถึงจะไม่ทุกขนะ์ไม่ใช่ว่าธรรมะจะป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียความพัดผ้าไม่หยุดให้ปวดไม่ใช่ให้พวกเราปฏิบัติธรรมถ้าเราจำกัดอยู่แค่การให้ทางการรักษาศีลเนี่ยนะนอกจากมันจะไม่ใช่มันจะไม่ช่วยทําให้ สงบใจยอย่างแท้จริงแล้วนะบางทีอจจะไรทำให้เราเนี่ยอาจจะท้อแท้ผิดหวังในธรรมะจนกระทั่งเลิกปฏิบัติธรรมหรือว่าไม่เข้าวัดกะได้นะเพราะเราตั้งความเพราะเราตั้งวางจิตวางใจไม่ถูกเช่นเดียวว่ า, าทําบุญให้ทานแล้วเนี่ยจะมีแต่ความสุขความเจริญจะไม่มีความเสื่อมจะไม่มีความพัดพลาดมันเป็นไปไม่ได้นะไม่ว่าเราจะให้ทานนะทำบุญแค่ไหน ไม่ว่าเราจะปราศนากความสุขความเจริยแค่ไหนยังไงก็หนีความเจ็บปวยไม่พนยังไงก็หนีความพัดพลาดสูญเสียในผลเพราะมันเป็นธรรมบัญชาที่นี้เนี่แล้วก็หลายๆวันเนี่ยเขจะมีการพิจารณานะเรียกว่าปินหาปัจจุเอกนะหลังทํำวัดเย็นหรือทำวัดเช้าพิจารณาว่าอะไรพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลบเลิกความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะรบเรืความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะรบเรืความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งนั้นของรักของชอบใจนี่ก็รวมถึงคนรักคนที่เราชอบใจด้วยนะลูกเมียผัวพี่น้องพ่อแม่ญาติเราต้องพัดพลาดอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่ง นี่คือความจริงคือสัจธรรมนะที่เราต้องเปิดใจยอมรับและเข้าใจนะถ้าเราไม่ฝึกใจยอมรับนะไม่พิจารณายเสมอว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเป็นต้นเนี่ยถึงเวลาเจอความแก่ก็เสียใจถ้าไม่พิจารณาว่าเรามีความพลาดพลาดจากของรักของจ้าชอบใจเป็นธรรมดานะถึงเวลาพลาดพลาดสูญเสียก็ทุกนอกจากทุกแล้วนี่ยังยังเปิดไปต่อว่าดาดาทอระธรรม ว่าทำไมไม่รักษาทำไมบุญไม่คุ้ครองนะถึงกับไม่เข้าวะนะัดมีคนหนึ่งนะแกเป็นนักสร้างหนังนะแกก็เป็นชาวผู้ที่ท่าทางจะเคร่งศรัทธามากแกถึงกับสร้างหนังเรื่องหลวงพ่อโตนะแกสร้างหนังเรื่องหลวงพ่อโตนะก็ลงทุนไปหลายสิบล้านนะแกเป็นหนี้สามสิบล้านบอกว่าเรื่องนี้เจงนะเรื่องนี้เจง ได้ไมกี่วันก็ออกจากโรงแกเป็นหนี้นะนะต้องหนีเจ้าหนี้และแถมเมียก็เมียก็ทิ้งอีกนะแกเสียใจมากสุดท้ายแกก็ประกาศว่าแกเรื่องนักถืบพุทธศาสนาแล้วเพราะว่านักสือศาสนานี่อุตส่าห์ทุ่มเทเพื่อศาสนานี่สิ่งที่ได้รับคือฉิกหายขายตัวแล้วก็ถูกทิ้งถูกเมียทิ้ง ไม่ไม่ไม่นับถืออันนี้น่าคิดนะคนที่ศรัทธาพนาที่ทุ่มเทนะทุ่มเงินเพื่อสร้างหนังนะชื่อหลวงพ่อโตคัวโตหลังชื่อคัวโตท้ไามาถึงสวิงกลับนะกลายมป็นกระบอกไม่นับถือศาสนาแนละ้วก็เพราะแกมีความหวังมีความเข้าใจว่าถ้าทำแล้วเนี่ยชีวิตจะประสบความสุขความเจริญ ้คนเราเวลาทําบุญเนี่ยต้องวางใจให้ดีนะถ้าหวังความสุขความเจริญแล้วเกิดเจ็บเกิดกลวยขึ้นมานะอาจจะกลายเป็นพวกที่หมดศรัทธาเลยนะหมดศรัทธาในบุญในกุศลว่าทาไมทำมาถึงเกิดทำบุญถึงเจิดแบบนี้ห้ทำบุญดีแล้วแต่สิ่งที่เ้าขาดไปสิ่งที่เขาไม่ได้ฝึกเลยก็คือการฝึกใจเห็นความจริงเห็นสัจธรรม ว่าอะไรแก็ไม่เที่ยงอะไรแล้วก็ไม่แน่นอนความพลาดพราสูญเสียเป็นธรรมดาถ้าเราเข้าใจ่างนี้นะถึงเวลาเกิดความพลาดพราสูญเสียขึ้นมาก็ไม่ทุกข์ถึงเวลาเจ็บป่วยก็ไม่ทุกข์ปวยใจแต่ใจสงบถูกดาทอก็ไม่ทุกข์นะ ามาพ่งได้อ่านประวัติหลวงพ่อหลวงพ่อขาวหลวงพ่อปานนะวัดอนะอนายโยวัดธรรมกองเพงหลวงพ่อปานนี่ท่านมีพระปู่ขาวพระปู่ขาววนาลโยพระปู่ขาวเนี่ยท่านท่านมีแม่ชีคนนึงเป็นแม่ชีที่ปฏิบัติธรรมั่ธรรมนดา น, า น, านนะแล้วก็เป็นคนที่ ไม่ได้ปฏิบัติธรรมด้วยการรักษาศีลเดียวแต่ว่าเจริญกรรมฐานด้วยจนกระทั่งเนี่ยเรียกว่าก้าวหน้าพอสมควรอาจจะก้าวหน้ากับพระด้วยวันหนึ่งท่านก็บอกลูกศิษย์ของท่านสองท่านนะคือพระอาจารย์จวนนะกุลเชษโถนะแล้วก็พระอาจารย์บุญเพ็งนะซึ่งตอนหลังก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงมากแลพรา็จวนนี้ท่านรอนักภาพไปมาลนะ้ว บอกให้ไปดา่าไปด่าแม่ชีสาท่านก็รับคำสั่งนะไปไปเจอหน้าแม่ชีสาที่ปุติก็ด่าเลยนะด่าแรงๆเลยแม่ชีสาที่ได้ก็งงนะแต่สักพักก็แย่ตัวยิ้มได้นะไม่มีความโกรธนีม่มีความเสียใจก็ปล่อยให้อาจารย์สองท่านดา่ดาดา่ดาด่าจนดา่าจนจบนะ แม่ชีสาบอกว่าอ า, อาจารย์ด่าจบแล้วเหรอนะด่าอีกนะด่าเยอะนะมันจะได้ช่วยลดกิเลสดิฉันนะไม่ได้กลัเลยนะกลับบอกให้ดา่ายนะแล้วก็บอกขอบคุณที่ด่านะเพราะว่าแม่ชีทราบซึมใจมากได้ควาทราบสึมใจมากนะไอ้ที่ด่านี่เป็นธรรมะทั้งนั้นเลยนะ เห็นไหมคนที่ใจเขาถึงนะใจเขาเข้าใจธรรมะแล้วนะไอ้คำตอบว่าด่าทอนี่ไม่ทำให้ใจทุกข์ไม่ทำให้จิตใจว้าวุ่นเลยนะแต่คนดีจำนวนมากนะแค่ถูกสกิดนั่นนะว่าทำไมโกรธนะทำไมทำบุญแต่ยังโกรธอยู่ทำไมเข้าว่าแต่ยังโกรธอยู่สกิดแค่นี้ก็โกรธแล้วนะแค่สกะกิแค่นี้ก็โมโหแล้ว อันนี้ก็ไม่ได้ฝึกจิตไงไม่ได้ฝึกจิตให้ให้มีสติรู้ทันอารมณ์ที่มันที่มันเป็นลบแล้วก็ไม่ได้ฝึกใจให้ให้เกิดปัญญาเห็นว่าให้ความต่อว่าดาทอนนี่มันเป็นธรรมดานะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราถ้าต้องการความสงบนะอย่าแสวงหาแต่ความสงบภายนอกให้แสวงหาความสงบภายใน และความสงบภายในนี่แหละเป็นสุดยอดแห่งความสุขนะครูเจ้าต่อ ว, ว่าสุขหรือเนี่ยความสงบไม่มีความสงบที่ว่านี้ไม่ใช่สงบนอกนะมันเป็นสงบในในใจสงบเพราะมีสติสงบเพราะมีปัญญาสงบเพราะไม่มีกิเลสนะนะไม่มีวิชานะก็คือนิพพานนั่นแหละเป็นความสุขเป็นความสงบอย่างยิ่ง เอาแรกตมาก็พอสมควรแล้วนะกล่าวม า, อาพอที่จะให้แง่ที่แก่ญาติโยมนะเพื่อจะได้นำไปใช้ปฏิบัตินะไม่ว่าที่นี่หรือว่าที่บ้านหรือว่าเวลาอยู่บนรถก็ตามท่านมีอะไรของสยก็เชิญถามได้นะมีคำถามไหม อนิพพานก็มีหลายระดับนะระดับพื้นๆก็คือนิพพานในแต่ละขณะนิพพานเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีที่มีมาแต่เดิมก่อนการตัสรู้พระเจ้าเรื่อเราเย็นข้าวที่มันร้อนแล้วมันก็เย็นก็เรียกว่านิพพานทานที่มันเคยร้อนเป็นก้อนแดงแล้วมันก็สงบมันก็มอดลงนี่ก็เรียกอนิพพานนะม้าที่มันชื่อม้าที่มันดุนะ มันพยศแล้วมันก็เชื่องก็เรียกอนิพานธ์ในควานิพานในความหมายนี้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราสามารถจะประสบสัมผัสได้ในทุกขณะถ้าใจเราสงบเมื่อไหร่ในะใจเราก็เหมือนกับนิพานนั่เนเองนะอาจารย์พุทธาอ น, นิพานชิมลองเกิดขึ้นเมื่อเราไม่มีกิเลสหรือเราสงบจากกิเลส กิเลยังอยู่แต่ว่ามันไม่มันรบกวนมันนอนเนื่องมันไม่มันไม่มันไม่มไมกระตุ้นให้จิตใจเรารุ่มร้อนด้วยความโลดความโกรธหรือความหลงลนิพพานนี้เราก็สามารถจะพบประสบได้ในชีวิตประจําวันนี่เป็นนิพพานพื้นๆแล้วนิพพานขั้นสูงสุดนะซึ่งเป็นจุดหมายตรงกติองชาพูธนั่นก็คือนิพพานที่มันเรียกว่าตัดขาดจากกิเลสสงบจากกิเลสหมายถึงว่า ไม่ใช่สงบอย่างเดียวแต่ว่าเรียกว่ารื้อถอนกิเลสนะจนไม่มีที่ตั้งนะไม่หลงเหลือนะี่ใช้ว่าดักสนิทไม่มีส่วนเหลือนีนะ่อันนี้เป็นนิพพานที่มีแต่พระอรหันต์และพระพุทธเจ้าเท่าน้นที่จะเข้าถึงได้แต่ว่าถามว่าสามารถจะเข้าถึงได้ในชาตินี้ไหมก็จากตัวอย่างครูบาอาจารย์นะ ท่านก็พิสูจน์ได้เห็นว่าสามารถจะทำให้ถึงได้นะในชาตินี้ในปัจจุบันชาติไม่ต้องรอนะไปถึงชาติไปถึงอนาคตการไม่ต้องต้องไปรอให้ไปเกินนยุกต์ีอ่านก่อนหนึ่งค่อยจะได้นิพพานนะเพราะว่าเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งไกลตัวนะอย่างลูกปูขาวเนี่ยนะท่าน ตอนที่ท่านเคยเคยเมื่อท่านบวชเนี่ยท่านก็อยู่วัดนะอยู่วัดธรรมดาธรรมดานี่แหละไม่ได้มีการปฏิบัติอะไรต่อหลังท่านก็เกิดควาสมสนใจในการปฏิบัติท่านก็จะออกทุดด่ดมก็มีพระท่านท้วงเอาไว้นะอุปชาท่านก็ท้วงไว้ว่านิพพานมันไม่มีแล้วนะไม่ไม่มีใครนิพพานแล้วนะยุคนี้แต่สุดท้ายท่านก็ ปฏิบัติจนกระทั่งท่านสามารถจะปลดเปื้องจิตออกจากความทุกข์ได้ถ้าเราวันหนึ่งท่านเห็นเห็นทุ่งทุ่งข้าวเห็นทุ่งนาเนี่ยนะก็เห็นข้าวมันออกรวงแล้วท่านก็สงสารว่าข้าวเนี่ยนะที่มันที่มันที่มันเกิดที่มันออกรวงได้เนี่ย ที่มันเกิดเป็นต้นข้าวต้นใหม่ๆได้เนี่ยนะมีอะไรต้องมีอะไรบางอย่างเป็นเชื้อมันถึงเกิดใหม่ได้เรื่อยๆเม็ดเนี่ยมันถึงเกิดเป็นต้นแล้ท่านก็ท่านก็ยอมมาถึงดูใจว่า ก, เ ก, กิเลส ข, ของเราเนี่ยมันมีอะไรเป็นที่เกิดนะมันถึงจะเกิดมันถึงจะก่อเกิดขึ้นมาได้เรื่อยๆชั้นก็พิจารณาอย่างลึกซึ้งนะแ้วเร็วพิปัจฉนาจกนกระทั่งท่านพบว่าอ๋อนะ มันมีตัวนะตัววิชาที่ทาให้กิดที่ทำให้กิเลสมันเกิดและทำให้เกิดไม่ไม่จบสิ้นถ้านบอกพอเห็นตรงนี้จิตของท่านก็หลุดพ้นเลยนะอันนี้เป็นตัวอย่างของคนที่ท่านสามารถจะเข้าถึงคว า, า, ามสงบเย็นอย่างสิ้นเชิงได้นะในชีวิตนี้นะเพราะการปฏิบัตินะอย่างเข้มข้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนิพพานอย่างที่ว่ามาเนี่ย พวกเราจะไม่ค่อยสนใจกันนะเพราะว่ามันดูเหมือนไกลตัวแล้วก็ทุกวันนี้เราก็มีความสุขกันดีอยู่แล้วแต่สมาช่อพวกเราทําไงก็ต้องการความสงบนะปราถนาความสงบนะแดดร้อนนะฝนตกถูกคนด่าว่าเจ็บป่วยทําไงจะไม่ทุกข์ ทุกคนก็อยากจะไม่ทุกข์ทั้งนั้นแหลนะถ้าไม่อยากทุกข์นะจะไปบังคับแดดให้มันไม่ร้อนจะไปบังคับฝนไม่ให้ตกจะไปบังคับฝนไม่ให้ด่าว่าดทาไม่ได้แต่สิ่งที่ทําได้คือทําดีใจนะาการการฝึกจิตให้สงบนะให้เข้าถึงนิพพานแบบนิพพานชั่วขณะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่จําเป็นสำหรับพวกเรานะ ถ้าต้องการอยู่อย่างมีความสุขนะแล้วก็เป็นสุขแท้ในสุขที่ยั่งยืนนะถ้าไม่มีตรงนี้นะไอ้สุขที่เรามีมันก็เป็นของชั่วคราวเป็นของไม่ยั่งยืนพอเจ็บป่วยก็โบนตีปวยตีพายโวยวายนะพอเงินหายก็กุ่มหมวกุ่มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับพอคนรักตายก็หมดอะไรตา ย, ยาแบบชีวิต อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนจำนวนมากที่เคยมีความสุขในยามที่สุขสบายแต่พอความสุขสบายมันแปรผันไปนี่ก็เสียสูญเลยนะอันนี้ก็ต้องต้องต้องหมั่นเตือนใจอยู่เสมอนะว่าอะไรๆก็ไม่เที่ยมันเตรียมตัวให้ดีกว่า สติปัฏฐานเนี่พุท้าแต่ว่าเป็นทางสายตรงนะเป็นทางลัดที่สู่นิพพานสู่ความสุขพ้นจริงไม่ต้องนิพพานสุขพ้นจากความทุกข์ก็ได้เพียงแค่ให้มีสุขแบบโลกโลกสุขอย่างผู้ทุชนยังก็ต้องอาศัยสติปัฏฐานนะมันมีสขั้นนะขั้นแรกก็คือรู้กายจู้กายเวลากลายเคลื่อนไหวนะก็รู้ว่า กลายเคลื่อนไหวเวลากลายทำอะไรใจก็รู้ว่าทำอะไรนะเช่นเวลาเดินก็รู้ว่าเดินนะเวลาตามลมหายใจก็รู้ลมหายใจที่เข้าแล้วออกนะพระเจ้าสอนว่าให้ให้มีสติให้ทำความรู้สึกตัวทั้งในเวลายืนเดินนั่งนอนในเวลาเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเวลาเลี้ยวหลังและ้หน้าเวลาคลองผ้าเวลาสะพายบา นะเวลากินดื่มดิ้มเคี้ยวในเวลาเขาเวลาอุจจาะปัสสาวะเวลาคู่ขาเหยียดขาเวลายืนเดินนั่งหลับพูดคุยเพราะว่คือรู้สึกตัวตลอดเวลารู้สึกตัวคือรู้สึกตัวว่าทำอะไรอยู่ตอนนั้นนะอันนี้ดูเหมือนง่ายแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ตัวนะเวลาอาบน้นํานี่ใจลอยนะไม่รู้ว่ากำลังอาบน้ํา ดี่เวลากินข้าวเนี่ยนะใจลอยใหญ่เลยนะตัวเนี่ยกินข้าวแต่ใจนี่เกษตรอารมณ์สารพัดอันนี้เรียกว่ารู้กายนะรวมถึงรู้ถึงเห็นเห็นถึงความความเสื่อมของกายว่ากายในสุดนี้ก็ต้องกลายเป็นทรานสุนะ อันนี้เรียกว่าพิจารณาสุภาษิตพิจารณาความไม่เที่ยงความไม่งามของร่างกายอันนี้จะอยู่ในฝ่ายฝ่ายข้อที่หนึ่งเรื่องกายอย่างนี้ปัสตนาความหมายที่ลึกซึ่งคือเห็นกายในกายเห็นกายว่าเป็นกายเห็นกายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้เป็นิปัสนานะไม่ใช่แค่รู้กายทั้งแต่ว่าเห็นด้วยว่าเห็นความดีของกายว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา อัที ja like ่สองคือรู้เวทนาเวทนาก็เวทนาที Bailey> ่เป็นสุขเวทนาที่เป็นทุกข์เช่นความปวดความเมื่อยก็รู้เมื่อมันเกิดขึ้นส่วนใหญ่เวลาปวดเมื่อยเนี่ยไม่ค่อยรู้นะแต่เข้าไปเป็นแทนที่จะเห็นเวทนาก็เป็นผู้ปวดแทนที่จะเห็นความปวดความเมื่อยก็เห็นเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยนี่เรียกว่าไม่ได้เห็นเวทนาเวทนาคือเห็นแต่ว่าใจใจไม่ปวดนะใจไม่ทุกข์ นะนี่ไงโยมถ้าเกิดปวดเมื่อยตอนนี้เนี่ยนะหรือว่าเกิดไม่สบายขึ้นมามันเกิดทุกเวทนาขึ้นมาก็เห็นไม่ข้อเปเป็นความหมายลึกๆอีกกว่านั้นคือว่าเห็นเวทนาว่าเป็นเวทนาไม่ใช่ว่าเป็นรอเป็นของเรานะเห็นจิตเห็นจิตคือรู้ทันความรู้สึกนึกรู้ทันความนึกคิดและอารมณ์ <S <S ความนึกคิดไม่ว่าคิดบวกคิดลบ อารมณ์มันจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็รู้ทันนะรู้ทันเห็นมันไม่เข้าไปเป็นมันนะรวมถึงว่าเห็นจิตว่าเป็นจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้คนเนี่ยมักจะไปยึดนะว่าจิตเป็นเรามีของเรามันก็ยึดว่ากายเป็นเรามีของเราถ้าเห็นสามอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประตูไปสู่การเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมในธรรมคือเห็นเห็นเข้าใจในเรื่องของขันห้า นะเริ่มต้นที่นิวรณ์ห้าต่านะเวลาเวลานิวรณ์ห้าเกิดขึ้นเนี่ยก็รู้ว่านะมันมีโทษอย่างไรรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรรู้ว่ามันดับไปเพราะอะไรเข้าใจเรื่องขันห้าคือรูปเวชนาสัญญาสม า, าวิญญาณเข้าใจว่ามันนะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะเข้าใจเรื่องอายตนะสิบสองเข้าใจหรือเห็นเข้าใจเรื่องโพชงเจ็ดนะซึ่งเป็น คู่ปรับกับนิวรณ์นิวรณ์คือความง่วงเงาหา่อนอนความอยากนะเรียกว่าการบาคะความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยและความขุ่นเคืองใจเข้าใจแม้กระทั้งสุดท้ายเข้าใจเรื่องอริสัต4นะเห็นความจริงเรื่องอริสัต4นะทั้งหมดที่อาศัยจากการที่เราทำสามขั้นตอนแรกเนะี่ยรู้กายรู้เวชนาู้จิตเนี่ยไม่ทําให้เราไป รู้รำมัวต่างๆนิวรณ์ห้าสันห้าไอ้ตั้งสิบสองพ่ชงเจ็ดนะรวมทั้งไอ้สัตว์สี่และถ้าเห็นในสัตว์สีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยอย่างจ่มแจ้งก็นิพพานหลุดพ้นแจ้งเห็นแค่หนึ่งสองสามเนี่ยนะหนึ่งสองสามคือเห็นรูปรู ร, รูเวทนารู้กายเวทนาจิตเนี่ย มันยังช่วยทําให้พ้นทุกระดับสามมันได้เช่นโกรธโมโหรู้ทันวางเศร้าโศกเสียใจรู้ทันวางเครียดนะรู้ทันวางกำลังขับรถอยู่กำลังกำลังขับรถแต่ว่าใจาไปคิดถึงลูกคิดถึงงานการนะเดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุแต่ถ้ามีสติการขับรถนะมันก็ขับรถได้ปลอดภยัยอันนี้ก็เป็นประโยชน์สุขทางโลก คือก็ไม่เฉพาะเจะจงในอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหลายๆอย่างประกอบกันนี่นะครั บ, ยยรบถ้ารู้ทำก็อย่างที่อาตมาว่าก็จะให้พิจารณาเป็นหมวดหมวดนิวณ์ห้าขันห้าอนต้าสิบสองโพชมเจ็ดไอสัตว์สี่คือปฏิบัติทันยังไงถ้าไม่แจังแจ้งไอสัตว์สี่หรือไม่จังแจ้ ง, จงในขันห้าก็ไม่ไม่ไม่ค้นทุกนะเอ่อ ปัญจวัคคีเนี่ยนะท่านพิจารณาธรรมในธรรมโตนั่นขัานเข้าใจเลยนะว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นไอ้จังทุกขาณาตาท่านก็หลุดพ้นแต่ถ้าหลุดพ้นหลังจากที่ได้ฟังธรรมเรื่องอนตัตตลักขณสูตรใช่ไหมท่านพิจารณาท่านก็แจแจ้งส่วนชะดินสามพี่น้องเนี่ยนะแจ่มแจ้งในเรื่องของไอตาลสิบสองก็บรรลุธรรมในพระอรหันต์นะ เพราะนั่นเนี่ยก็ไอ้รู้ทำในทำเนี่ยนะสูงสําคัญมากนะจะรู้ทำจัดแจ้งในหมวดใดเนี่ยนะมันก็นําไปสู่ความหลุหดพน้นได้ถ้าถ้าเข้าใจเนี่ยไปถึงว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังรัตตาเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยนะเหตุเกิดก็เกิดเหตุดับก็ดับนะอย่างที่พระ อาศชี้ได้กล่าวกับพระกับอุปติสสะซึ่งตอนั้พระไตรบุตรว่านี่ที่พระเจ้าสอนเนี่ยสอนว่าทำใดเกิดแต่เหตุนะต่าคตกล่าวถึงเหตุและการดำเนินธรรมนั้นนะทำเนี่ยทำนั้นในทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งอย่างเนี่ยล้วนแต่มีเหตุนี่วอนห้าก็มีเหตุนะให้เกิดนะขันห้าก็มีเหตุให้เกิ ด, ก ด, กกดนะและเมื่อรู้ว่า เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดแล้วรู้ว่าอะไรแล้วรู้เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดแล้วรู้ว่าเหตุนั้นจะดับได้อย่างไรนะและทําให้เหตุนั้นดับไปก็หมดทุกข์ร า, าชกษัตริย์ของกรุงชานีจะเป็นะเจแผ่ายทีาย อิทัาปตากับปฏิสัมบัติใช่มอิทธาปเจตาเป็หัวข้อใหญ่แปลว่าสิ่งใดอิทธาปเตาแปลว่าเมื่อมีเมื่อมีก่อก็มีขอเมื่อมีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนั้นไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นลอยลอยไม่มีอะไรที่อยู่ลอยลอยทุกอย่างต้องมีเหตุเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีใช่ไหมเออเพราะฉนั้นเนี่ยก็ปัญญาสุบาลเนี่ยก็เป็น หัวข้อย่อยในอิทธป er ัจยตาเพราะปฏิยสุบาเนี่ยเป็นรายละเอียดของอธิปิธปัจยตาหรือเพื่อนเพื่อนปฏิยาสวิธิธปัจยตาเนี่ยอธิบายเรื่องอะไรก็ได้อธิบายเรื่องการเกิดโลกแต่การเกิดตะกวานก็ได้อธิบายเรื่องการการเกิดต้นไม้ก็ได้แต่ว่าถ้าอธิบายเรื่องการเกิดทุกข์ก็จะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท ปยาสุบาเนี่ยจะเป็นเรื่องของเหตุและผลของที่นําไปสู่ความทุกข์ก็คืออิทัาเปตาที่ย่อยลงมาจอดจง ล, งลงมาถึงเรื่องที่มาและที่ไปของทุกข์นะแต่ถ้าถ้าเป็นเรื่องทั่วไปเนี่ยก็ใช้อิทัิปัจจิตาได้เด็กมนุษย์เกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรใช่ไหมเพราะมีเหตุมีปัจจัยใช่ไหมเหตุปัจจัยนั้นเนี่ย เหตุปัจจัยนนเรียกรวมๆวอิทธิปัจจยาตาเพราะการบรรลุการนิดนึงนะทีนี้นในในยังที่หลวงพ่อว่ารู้รู้ธรรมเกีกเ่ยวกับออริยศสตร์เนี่ย มันมันรูแ้แต่เพียงว่าอันนี้ทุกนะก็เป็นไอ้นั่นเป็นเอสมุทัยแล้วก็อันนั่นเป็นนิโรธอันนั่นเป็นมร์แต่ทีนี้มันคล้ายกับว่าใจเรามันนอ่ารู้แค่ปริยัติแต่แต่ว่าทีนี้มันไอท่ลึ ก, ลกซึ้ ง, งจริงจริงมันมันจะทำยังไงเพื่อให้พิจารณาได้เออเอเ อ, เอได้แจ้ ง, จง ก็สติปัญฐาสี่ต้องใช้สติปัญฐาสี่หรือสติปัญฐาสามก็ได้ถ้าคิดเอาเนี่ยฟังเอามันก็ไม่ใช่มันต้องปฏิบัติด้วยอาศัยสติปัญฐาสี่ผมขออนุญาตพระคุณท่านผมได้อ่านงานเขียนงานแปลของพระคุณท่านบ้างก็ยังไม่เข้าใจนกในระหว่างที่ ที่สภาวะที่เราคิดว่าเราจะต้องตายในขณะจิตตรงเนี้ยวิธีฝึกปฏิบัติอย่างพวกผมเนี่ยน่าจะไปน่าจะทําได้หนึ่งสองสามอย่างเนี้ยน่าจะไปทําอะไรก่อนหลังเราคิดว่าต้องตายแนละ้ววันนี้ต้องตายจนะิตของเราควรจะกําหนดอย่างไงหรือมีท่าทีต่อสภาวะใหม่อย่างไงนึกสองอย่างพอ หรือจะสามอย่างก็ได้สองอย่างคือว่านึกถึงพระพระคือพระตนะไตรหรือว่านึกถึงพระพุทธเจ้ารวมทั้งนึกถึงความดีที่เราได้ทำบุญคือสนที่เราได้บาเพ็ญสองละทุกสิ่งปล่อยวางทั้งหมดไม่ว่าทรัพย์สมบัติงานการลูกเมียพ่อแม่ ปล่อยวาแม้กระทั่งวสวรรค์จะไปชั้นไหนก็ปล่อยปล่อยว้าแม้กระทั่งตัวตนชีวิตนี้ปล่อยให้หมดสองข้างสองข้อเนี่ยนึกถึงพ า, ววารแลรากทุกสิ่งใช้ได้แล้วพอ แ, แม่จิตตกใช่มั่ <c oughs> อืเข้าใจไหม ก็ต้องมีคนนำก็นี่แหละนี่แหละสองข้อนี่แหละต้องมีคนพาทำถ้าไม่ทําแล้วก็ไปอบายถ้าทำไม่ได้ก็ไปอบายสถานเดียวอสองข้อนี่ง่ายที่สุดแล้วนะก็เนี่ยต้องมีคนพาทำเนี่ยมีคนนำจริงจริงมีประเพณีบอก ท, ทกกางผู้ใกล้ตาย เอาผ้ามาบอกทางใกล้ตายแต่ถ้าตัวเองไม่เคยทําแล้วมีใครมาบอกทางก็มีหวังว่าจะไปอับหนึวิธีการอย่างนี้หมาว่าต้องเตรียมตัวมาสใช่ไหใชว่ว่าจะว่าจะตรวจความเข้มแข็งขึ้นใช่ก็เมื่อเราจะไปสอบไล่สอบไล่ก็ต้องเตรยียมใช่ไหมเนี่ยสอบไล่เลยนะไล่จริงๆเลยก็คือว่าถ้าสอบตกก็ ก็ไปเลยไม่มีการกลับซ้าชั้นถ้าสอบได้ก็ไปเหมือนกันสอบตกก็ไปเหมือนกันไม่มีการซ้าชั้นไม่มีการแก้ตัวเวลาโยมสอบเนี่ยจะต้องสอนนิยมเตรียมหรือเปล่าเคยเคยสอบไ่ะเตรียมไหมเคยครับแล้วเตรียมไหมมัน ยังแบบคล้ายๆกลับไปกลับมากลับไปกลับมาผมก็ยังคนไม่เจอไว้เรายังมีข้อบอกพร่องหรือยังมีข้อธรรมอะไรที่ยังไม่ได้ปฏิบัติคือเป็นพื้นฐานหรือว่าเรายังมาไม่ถูกเพราะว่าในขณะที่ที่ใกล้จะหลับเนี่ยเราก็พิจารณาว่าเราต้องตายนะต้องไปนะแต่บางครั้งมันก็หวนกลับมา หลางกายเราจะต้องบำรุงไนั่นบำรุงนี่ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ยังมันหมายว่ายังอาจจะยังไม่ถูกทางนี้คนระับความรู้สึกของผมนะฝึกสองอย่า ง, งพอเพิมเ่มไม่พอเลยถ้าง่ายๆนะ่ฝึกสองข้อพอง่ายๆนะถ้าถ้าปฏิบตัติถ้าเป็นคนที่สนใจการปฏิบัติก็มีข้อสามคือให้พิจารณาสังขารว่าเป็นไตร ล, ลัก <c oughs> แต่ถ้าไม่เข้าใจข้อนี้ก็เอาสองข้อแรกก่อน ง่ายที่สุดแล้วแลวทำได้เด็กก็ทำได้คนใกล้ตายหล า, า ย, ายคนานไม่มีโยมผู้หญิงผมเดินไปชมไปชมรอบๆ บ, บริบทของท่านถ้าไม่กล้าแข็งจริงๆเนี่ยก็คือนอาจจะอยู่ไม่ได้พอมันไปอยู่ในป่าแล้วถ้าจิตไม่เคยฝึกมาก่อนว่าว่า เราจะต้องเราจะต้องตายนะเราจะต้องไปคนเดียวน่าอหไรอย่างนีผมคิดว่าอยู่ไม่ได้นะในป่าก็ ต, ต้องเจริญรอนัศสติเสมอเลยรู้ถึงความตายทุกวันอย่างเช่นแาบผู้มาเช้ า, นะ า, นาอนกเราจะใช้ไอ้บทสวดไอ ไหวพระดุรามันีมันจะพอใช้ได้ไหมคำบทสวดที่ว่าอะไรอิปิโสพุทวาอรังสัมมาสอมพุทโธนะโมข้าเจ้าว่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์อะไรแบบนี้ไปจนจบเป็นตอนนี้ยังเล็กมากเลยแอบทำให้จิตเราไม่ตกได้ไมครับพอได้ถ้าเกิดว่าตอนนั้นจิตเราเป็นมีสมาธิอยู่กับบทสวดมนต์แล้วเราเกิดศรัทธา ตอนนั้นเราไม่มีความวิตก ม, มีความกลัวไม่มีความเจ็บปวดมาคร่อมนําทำได้ขอบคุณคราบขออนุญาตคุณเกศคุณย้อนได้เลยที่ท่านตอบว่าอธิหมายว่าจะสำเร็จนิพพานในในปัจจุบันได้เฉพาะอริยสงฆ์และส่วนอย่างคันละว่ายอย่างของมีติดได้ไหมครับก็ อริยอริยสงฆ์แต่ก่อนท่านก็เป็นปุถุชนเหมือนกันเรานี่แหละแต่ท่านทําความเพียรไงใช่ไหมเ<ม>พราะนั้นเนี่ยถ้าโยมมีทําความเพียรโยมก็มีความสามารถเหมือนกันทูเจา้าตรัสว่าอริยโลกุตตรธรรมเป็นทรัพย์ประจําตัวของทุกคนหมายถึงว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงโลกุตตระธรรมได้อยู่ที่ทําความเพียรหรือเปล่า อันนี้จุดเบื้องต้นะแล้วก็มีปัญญาไหมคือทำความเพียรแล้วถ้าทำผิดวิธีก็มันก็ไปไม่ถึงเหมือนกันแล้วอยา่างควาปัญญาที่คือปัญญาเิดมาจาจิตห้จากกาปัญญาปัญญามันเป็นเราฝึกจิตให้มสมาธิถึงเกิดปัญญาหรือจิตกับกายรกันลออกม า, า, า, าเป็นปัญญาฝึกจิตให้เกิดปัญญา ก็เหมือนกับสุดคูนอะโยมท่องสุดคูนได้ไหมมันอยู่ที่ไหนอะสุดคูนนั้นแหะสองห้าสองคูนห้าเท่าเท่าไหร่มันมาจากไหนไม่ไม่ไอคําว่าสิบนี่คําตอนนี่มาจางไหนใช่ไอคําว่าแล้วตอบประสิทธิ์เนี่ยคําตอนนี่มาจากไหนมาจากหัวใช่ไหม ก็น no ั Dir ่นแหละเออปัญญามอยู่นี้แหละทุกอย่างเป็นสังขารหมดอยเ่ในนิพพานแล้วเราจะทาให้สังขารการที่มีปัญญาอยู่แล้วเวลาเกิดปัญญาอยู่แล้วเราจะใหจะทให้เกิดสังขารให้เกิดน้อยที่สุดเราใช้คอไหนที่มันก็คือปัญญาเรารุปัญญาต้องปฏิบัติบ่อย ปฏิบัติบ่อยๆทำบ่อยๆเมื่อโยนเนี่ยท่องสูตรคูณได้250เนี่ยเพราะว่าโยมท่องบ่อยๆโยมเขียนไบ่อยๆโยนฝึกบ่อยๆ ทั้งหมดนี่ใช้หลักวิธีการฝึกอย่างเดียวนะฝึกทำบ่อยๆทำบ่อยๆเพราะนั่นความเพียรอยู่เป็นสิ่งสำคัญคุณูอาจารต่ว่ามนุษย์เราล่วงทุ่งได้ก็ความเพียรไม่ใช่การอ้อนบอลร้องขอ ที่ดีคือว่าเราทําเป็นแบบอย่างเราทำแบบแบบอย่างทําให้เขาเกิดความสนใจอย่างเช่นอุปติสารหรือพระสัลยุบุตรเนี่ยนะเห็นพระอัสสชิเนี่ยเดินเนี่ยสง่าสงบแค่นี้ก็เชื่อแล้วนะว่าก็แค่นี้ก็เป็นแรงดึงดูดแล้วให้เข้าไปหาท่านอัสสชิแล้วถามว่าใครเป็นครูของท่านแล้วครูของท่านสอนว่าอะไร นะคือความสงบภายในของเราความมีเมตตากรุณาของเราความมีน้าใจเมตติของเราเนี่ยแหละที่จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนให้เข้ามาเกิดศรัทธานในพระธรรมแต่ถ้าเกิดว่าเราจิตใจรุ่มร้อนว่าวุ่นป็นคนไม่มีเมตตากรุณาเป็นคนที่ขี้โกรธเนี่ยเราพูดอะไรไปมีเหตุมีผลแค่ไหน มันก็ไม่น้มใจเขาให้เข า, ารรมากได้คนอเมริกันเนี่ยนะทุกวันนี้เนี่ยศรัทธาในศาสนาพุทธแบบทิเบตมากเลยนะศาสาทธาแ บ, บเบเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดพวกปัญญาชนพวกคนที่มีความรู้แล้วก็ร่ำรวยมากในอเมริกาพระทิเบตที่เป็นที่สามารถจุดประกายความสนใจและศรัทธาของคนเหล่านี้ได้เนี่ย หลายคนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะว่าพึ่งออกมาจากป่าหมายถึงว่าพึ่งออกมาจากประเทศทิเบตเพราะว่าถูกจีนยึดครองเมื่อหกสิบปีที่แล้วต้องแตกแตกฉ า, านสร้างเซนมาบางคนก็มาอยู่อังกฤษบางคนอยู่อเมริกาแต่ว่ามีลูกศิษ ย, ย์เยอะแยะเลยเพราะอะไรเพราะคุณธรรมข้างในก็มันก็หลวงพ่อชาหลวงพ่อชาต้องพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ท่านจบป .4 ทําไมมีพระฝรั่งไปบวชกับท่านเยอะแยะไปหมดนะจนท่ามีวัดวัดที่เกิดขึ้นโดยพระฝรั่งเนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกก็เพราะคุณธรรมของพ่อชานะดึงดูดใจนั้นทำมาที่นี้ส่วนเนี่ยมันไม่ได้ออกมาจากคําพูดไม่ออกมาจากไม่ได้มาจากปากออกมาจากใจออกมาจาก การกระทำเริ่มต้นตรงนี้ไม่ว่าแล้วคนที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นลูกไม่่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อร่วม ง, งานเขาก็จะค่อยๆน้อมเข้ามาหาหาธรรมะฝรังเนี่ยซึ่งไม่รู้จักพุทธ ศ, ศาสนาเลยทำไมมามาศรัทธาในพระที่เปสได้ เพราะว่าท่านมีความสงบข้างในมีความเบิกบานแจ่มใสนะและเดี๋ยวมันก็จะดึงดูดใจเข้าหากันได้เอาตรงนี้ก่อนดีกว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็สำคัญต้องย่ายายาพยายามไปเปลี่ยน น, นะ อย่าพยายามไปเปลี่ยนเขาอย่าพยายามถ้าเราไปเปลี่ยนเขา <MA IL> เขาจะต่อต้านธรรมดาคนเราเนี่ยศาสนาพูดเป็นศาสนาที่ไม่คิดจะไปเปลี่ยนใครนะไม่คิดจะไปเปลี่ยนให้เขามานั่ถือพุทธศาสนาไม่ได้คิดจะไปเปลี่ยนให้เขามาเข้าหาธรรมะไม่เหมือนศาสนาคริสต์ศาสนา i s l a ที่พยายามไปเปลี่ยนนะแล้วมันก็มักจะ นี่ไม่พ้นที่ทําให้เกิดความตึงเครียดระหว่างกันหรือบางทีเกิดการบังคับกันพระที่เบ็นเนี่ยนะท่านเป็นพระที่นาารักเพราะว่าท่านไม่ได้คิดจะไปเปลี่ยนใครใครมาสนใจใครสนใจมาถามท่านก็นตอบไม่ได้คิดจะดึงให้เขาเข้าหาให้เข้ามาหาธรรมะให้เข้ามาสนใจธรรมะเพราะถ้าเราคิดจะดึงเข้ามาหไหนเนี่ยนะเขาจะอีกฝ่ายมันจะรู้สึกว่า กำลถูกเรียกร้องความสัมพันธ์จะไม่เป็นธรรมชาติเมื่อคุณพยายามเรียกร้องใครมารักคุณเนี่ยนะเขาจะรู้สึกแย่เลยแต่ถ้าคุณปฏิบัติดีกับเขานะเขาจะรักคุณเองถ้าคุณไปเรียกร้องให้เขาฟังคุณเขาจะรู้สึกรึดอัดแต่ถ้าคุณเริ่มจากการฟังเขา ถ้าคุณเริ่มจากการฟังเขาเก็จะฟังคุณเองเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนะอย่าไปคิดไปเปลี่ยนใครกับลูกก็เหมือนกันนะกับลูกกับเพื่อนเหมือนกันอย่าไปเรียกร้องเขาอย่าไปคาดคันเขาแต่เราทำที่ตัวเราแลวถ้าเรามีดีจริงนะมันจะไปเปลี่ยนเขาเอง คื อ, อฟังผู้รู้บรรยายพระอริธรรมละเอียดมากมันความเข้าใจมันเป็นอัโผมันมันสดใสมากถ้าเราจะมุ่งอย่างเดียวว่าเราจ ะ, ะมุ่งสติปัฏฐานสี่นี้อย่างที่สนักของวัดป่าสุขตโต ดังเลยการสอนนี่อย่างเดียวมีพิจารณาอย่างที่คุณพ่อได้แอบบรรยายมาเมื่อตอนต้นอย่างเดียวนี้มันจะพอไปได้ไหมครับไปได้นะเพราะว่าพระอรหันต์หลายท่านในฝ่ายวุฒิการ์ก็ไม่ได้รู้อภิธรรมนะท่านไม่ได้รู้อภิธรรมแล้วก็ครูบาอาจารย์หลายท่านที่ท่านเข้าถึงธรรมเนี่ยท่านก็ไม่ได้รู้อภิธรรมแต่ว่าท่านปฏิบัติ ปฏิบัติโดยอาศัยจริงๆธรรมะในพระสูตรเนี่ยก็มากพอแล้วหรือว่าพูดจริงๆธรรมะในธรรมะาจาักกัปวัตนสูตรเนี่ยธรรมะในอนัตตาลัคนาสูตรแค่นียย้พอกินแล้วใช่ไหมขอให้ทําแล้วกันนะอภิธรรมนี่มันเป็นคล้ายๆเป็นวิชาการนะ เหมือนกับเราขับรถเนี่ยเราขับรถเนี่ยเราก็ถ้าเราคุมรถได้ไปเราขับรถได้หรือที่เราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าน้ํามันเนี่ยมีส่วนประกอบด้วยเป็นธาตุอะไรบ้างคาร์บอนกี่กี่ดีเซลเนี่ยน้ํามันดีเซลเนี่ยมีคาร์บอนมีกี่อะตอมนะมีไฮโดรเจนกี่อะตอมนะมีออกซิเจนกี่อะตอมไม่จำเป็นต้องรู้เราก็ขับรถได้ใช่ไหม เราไม่เป็ต้องรู้ว่าตัวถังเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นอลลอยนี่นะมันประกอบไปด้วยสังกะสีกี่ส่วนมันมีอะตอมของอสังกะสีของของเหล็กกี่อะตอมใช่ไหมแล้วก็เป็นเป็นเป็นเหล็กเป็นเหล็กแบบเหล็กออกไซด์ไหมเฟอร์รัคออกไซด์หรือเปล่าเราไม่เป็นต้องรู้ก็ได้แล้วเราขับรถได้เมือ่อเรากินยาเรากินยารักษาโรคหายไง หลวงเคยสงสัยว่ายาเนี่ยมันประกอบไปด้วยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็ไม่ทราบใช่ไหมแต่กินแล้วหายแต่หมอเนี่ยจะต้องรู้ว่ามันโดยเฉพาผู้ที่ผลิตยาจะรู้ว่ามันมีประกอบเป็นองค์ประกอบอะไรความรู้นี่มีประโยชน์นะแต่มีมีประโยชน์เฉพาะกลุ่มอภิธรรมเหมือนกันแต่ในขั้นปฏิบัติการเพื่อพลดความเพื่อเพื่อแก้ทุกข์เนี่ยมันไม่จำเต้องรู้ขนาดนั้นก็ได้ รเราไม่จำเป็นต้องไปรู้รายละเอียดมากไม่เป็นมุ่งปฏิบัติอย่างเดียวทำ น, น, น, นั้นทำนั้นตงว่าจริงเอ อ, เ อ, อาธรรมะจาก ก, กับอนาสูตรกอนัตตาันตสูตรโยมาอประสมนี้พอแล้ว <S <S แต่บางทีสองประสมนี้ก็ไม่เข้าใจก็ต้องไปหาพระสมอื่นมาเสริมอธิบายเท่นั้นเอง พุทธกาไมบรรลุง่าคนสมัยนี้ทาไมบรรลุยากคนสมัยพุทธการฟั้ง น, ง, งนิดเดียวรรอเป็นเพราะว่าสะสมบุญบริมีไว้มากเนี่ยอธิบายแบบโบราณเนยอีกเหตุผลนึงก็เพราะว่า ท่านไม่ได้คิดซับซ้อน่เช่นเหมือนกับว่ามีผงอยู่ในดวงตาเช่บนรบรจารวกขีเนี่ยท่านก็ไม่เคยเฉลีวใจเลยนะว่าสิ่งตั้งปวงเมื่อไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์และเมื่อไม่เมื่อมันมเป็นทุกข์มันย่อมเป็นอนัตตาหรือเขาไม่เฉลีวใจเลยว่าทุกสิ่งเกิดแต่เหตุนะถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับไปด้วย เขไม่เฉลียใจเลยนะครัอุปติสาวพระติมปุ๊บนี่ปิงเลยโซดาบันเลยทําได้เกิดแต่เหตุแต่ถาคตกล่าวถึงเหตุและการด่าเป็นธรรมนั้นมันแปลว่าทุกอย่างมันไม่มีตัวตนทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงไม่เคยได้ยินได้ฟังมบบนี้มา ก, ก่อนไม่ทันเฉลียวใจพอเฉลียวไปุ๊บปิงเลยมันจ ะ, ะว่คขี้ก็เหมือนกันแต่เป็นเพราะว่าเราเรา เราดินอย่างนี้มาตั้งแต่เล็กเราก็เลยไม่ไม่เชื่อเป็นเรื่องแปลกแล้วเราก็เลยไม่ปริ้งไปตามนั้นเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าถามว่าสมัยก่อนอะไรถึงบรรลุธรรมได้พ่อโซนึงก็มีพระบรมศาสดาที่มาชี้นะไม่ว่าจะโง่แค่ไหนก็บรรลุธรรมได้เหมือนกันแนมะ้กทั่งจุลปันทกซึ่งโง่ามากคาถาสี่บาทท่องไม่ได้เลยภายในเวลาสามเดือนให้เวลาสามเดือนท่องไม่ได้เลยแต่พระพุทธเจ้าเนะอุบายให้มา ให้มารูปลูบลูบผ้าขาวแล้วบริกรรมบริกรรมพระโชหารานางังแปลว่าผ้าเปลิ่นผุ่มบริกรรมไปเรื่อยๆบริกรรมไปเรื่อยๆเห็นผ้ามันจากขาวที่มันกลายเป็นคล้ำในช่วงระดับแห่งท่านเน่ยจิตท่านเป็นสมาธิท่านก็พิจารณาเห็นเลยนะโอหมันไม่เที่ยงจิตเราผ้าขาวมันก็ติตเราซึ่งมันคล้ำไปตัวพอกิเลสต้งกระดุดพ้คืออาจารย์ก็ก็เก่ง ใช่ไหมตัวผู้ตัวตัวคนถูกสอนนี่ก็ก็เป็นผู้ที่เรียกว่าอาจจะสะสมบุ ญ, สสญบา ร, รมีรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ฝ่ธรรมแล้วพระโสดาบันเนี่ยพระสักทาคามีอนราคาามีในเมื่อดับแล้วเนี่ยจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไ พระสดาบันเนี่ยครับท่านจะสามารถจะกลับ ม, มาได้เกิดได้ไม่เกินเจ็ดครั้งแต่ไม่แปลว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นนะอาจจะเกิดอยู่ในสวรรค์ก็ได้ครับอนาคามีก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นสุทาว่าแล้วก็ไปปรินิาพานในในชั้นนั้นจะไม่ย้อนกลับถ้าอนาคามีนะป้านาคามีไม่น ะ, ะในโลกนี้น ะ, ะแต่ว่าไปเกิดในสุทาว่า ว่าโซดาบาัตก็มีหลายระดับน ะ, ะเพื่ว่าการมาเกิดเจ็ดครั้งหรือว่าน้อยกว่านั้นก็มีแล้วก็มาเกิดการ่ไม่ได้เกิดในในโลก ม, มนุษย์ก็ได้แต่ว่าถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่า ถ, าถอยหลังไปอีกไม่ ก, ก็ก็จะก็จะก็จะยังเป็นโสดาบาัตรมันที่ว่ามีอะไรอาจจะมีอะไรม า, มากระตุกกระตุ้นหน่อยแล้วก็เปลนใหม่ยัง มุ่งใจหลายสิบปีมาแล้วอ่านหนังสือของพ่อชาท่านบอกว่าสมาธิหัวต่อนี่ก็ผมก็ตีความไม่แตกตีความ ไ, มได้แต่เพียงว่านำสมาธิแล้วจะต้องอคิดคิดแตกแยกออกไปอย่างนั้นใช่หรือไม่ ก็จะสมาธิที่แบบตัวแข็งมากกว่าสมาธิแบบไม่รับรู้อะไรสมาธิที่ไม่เกิดไม่นําไปสู่การเกิดวิปัสสนา ท, ที่ว่านั่งสมาธิหัวตอ่อนี่นตัวแข็งประเภททื่อทื่ อ, อคือสงบแบบไม่เกิดปัญญาเนีติดสงบพุ่ง่ายมันก็หินทับยาก็ได้ครับ ข, ขอบพระคุณครับ <c oughs> <g esses> ผมขอบใจมาก ม, มาหนาเลยคำว่าสมาธิอวใจมันกจะหลายสิบปีช่วยคนรู้ดีก็รู้แต่มันอดใจไม่ไหวดีช่วยรู้หมดแต่อดใจไม่ได้เพราะว่าจิตยังไม่มีจิตไม่มีคุณภาพจิตไม่มีสมาธิรู้นี่มันรู้ดีรูช้ช่วมันรู้ในระดับหัวสมองสัญญา แต่รู้ด้วยเหตุด้วยผลแต่ว่าจิตมันยังไม่ยอมรับจิตมันยังหลงในเล็ดรถอร่อย เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาปุถุชนนะต้องยึดมั่นถือมั่นยึดมากก็ทุกมากยึดมากก็ทุกมากยึดน้อยก็ทุกน้อยไม่ยึดเลยไม่ทุกใช่หมายถึงไม่ทุกใจนะกายมันก็ยังทุกอยู่<ช>ตามธรรมดาของสังขาร จิตที่ฝึกไว้ดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นะฝึกดีแล้วเนี่ยก็คือต้องใช้ความเพียรนั่นแหละท่านว่าการจัดการทางสังคมเนี่ยมันจะช่วยให้ให้เราเข้าใกล้ธรรมะอย่างพวกผมเนี่ยเป็นชาวไร่าชาวนา น, นะคระับ ทำมาหากินตั้งแต่นมชนแก่มันก็ไม่พอจะกินพอแก่ตัวลงลูกเต่ากันหนีห่างจากไปบริการทางภาครัฐก็ไม่เพื่อนมันก็เกิดความกลัวกลัวจะอดแก่แล้วไม่มีใครจะเลี้ยงแก่แล้วว่าเป็นขอนไม้ผุผุหาคุณค่าไม่ได้าการจะไม่ไม่พลวงเรื่องนี้เลยเนี่ยมันก็ทำให้ลังเลนะครับอย่างพวกผม นะทําให้กระบวนการจะเข้ามหาธรรมทำให้สงบเอ๊ะเราแก่ไปแล้วไม่มีใครดูแลเราไม่มีใครสนใจอย่างนี้นะครับมันก็ทําให้เรายังไม่เข้มแข็งพอที่จะก้าวเข้ า, ขามาสู่กระบวนการมาหรืเอเช่นมันนะอย่างนีนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ สังคมใหญ่สังคมผู้สูงอายุกำลังวิตกกันมากครับเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจก็ดีสภาพคนชั้นสองสองสามมันไม่มีความมั่นคงในกระบวนการจัดการของภา ค, งครัฐเลยเท่าที่ผมทบทบาอยู่นะครับลูกไปหาทำงานกรุงเทพไปหาทำงานกรุงเทพก็ไปขอรถพอนบ้านเอาลูกมาฝากพ่อไว้ พ่อแม่ที่อยู่ทั้งบ้านก็ทำเกษตรก็ไม่ประสบผลสาเร็จนะจะรอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ60ปีก็ได้500บาท70ปีได้600บาทตรงนี้มันเป็นความนะครัวความทุกตกต่างๆซึ่งมันมันน่าจะจัดการได้บ้างทางภาครัฐแต่ก็ก็หวังไม่ได้ในแนวทางเนี้ผมมองดูว่า ในความรู้สึกตัวทั่วไปอ่ะสถาบันทางศาสนาน่าจะมาช่วยจัดการได้แต่ว่าทางทางส่วนใหญ่ก็ไปเน้นทางวัตถุเป็นส่วนมากนะครับละเลยไม่ได้ไม่ได้เข้ามาผมหมายถึงว่าถ้าศาสานาเข้ามาช่วยมาจัดการให้เตรียมโรงพยาบาลให้ก่อนตายในวัดมีุฏิมี มีฐานอะไรว่างจับให้คนเจลาพวกนี้เข้ามาปฏิบัติธรรมเข้ามาได้รับอาหารอะไรอย่างเนี้นะครับก็จะเป็นช่องทางเปิดเอื้อให้คนกลุ่มที่เหลือเวลาเล็กน้อยเนี่ยได้เข้ามาพบธรรมในบา้านแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ววัดต่างๆก็ไม่ค่อยนี้นะครับในภาคกลางที่จะมาทําอย่างนี้นี่ก็คือผมมองว่าเป็นปัญหาครก็ยอมแล้วเป็นปัญหานะแต่ว่าให้เรานึกภาคสมัยก่อนเนี่ย ปู่ย่าตายายของเราก็ไม่มีอย่างที่เราเป็นอย่างที่เรามีนะสาบาทรักษาทุกโรคไม่มีโรงพยาบาลไม่มีแม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่ารัฐบาลแต่ว่าเขาก็สามารถจะอยู่กันได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพเขาไม่มีหลักประกันอะไรเลยนะแต่เขาก็สามารถแต่ปฏิบัติธรรมได้อาตมาไปพม่า ก, ก็ยังเห็นว่าพม่านี่เหมือนกับเมืองไทยเมื่อ 40-50 ิิปีที่แล้ว หวังเพื่งรัฐบาลอะไรไม่ได้เลยนะแต่ว่าความศรัทธานในศา ส, สนาเขาก็มีมากไม่เป็นอุปสรรคแลอการที่จะมาปฏิบัติธรรมนะเรานึกภาพปู่ย่าตายเราสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยโรงพยาบาลก็ไม่มีรอพศอตก็ไม่มีแล้วทำไมเขายังมียังมีจิตใจใฝ่ธรรมได้ใช่ไหมั้นอย่าไปอย่าไปอย่าไปกังวลว่าถ้าไม่ถ้ารัฐบาลไม่จัดโนนจัด น, นี่ให้แล้วเนี่ยเราจะ จะอยู่ไม่ได้ในวัดในไวัยชราไม่จริงแล้วก็ยังอยู่ได้เพราะปุญาตายายเราก็เคยอยู่กันมาแล้วแล้วก็อยู่กันมาอย่างนี้มาเป็นหลายร้อยหลายพันอายุหลายพันเจเนอเรชั่นแล้วมันเพิ่มายุคนี้แหละที่มันเรามีอะไรต่ออะไรมากมายแต่สุดแล้วแน่นอนมันจะไม่เปอร์เฟกตมันจะไม่สมบูรณ์แต่อย่าให้มันเป็นหัวสากความมนุษย์เราเนี่ยเคยอยู่เคยอยู่กับมันได้เคยอยู่ได้โดยที่ไม่หนีมันมาแล้วใช่ไหม แล้วก็ยอยู่ได้อมีความสุขสุขใจนะแม้กายจะไม่สุขแม้กายจะลำบากแต่สุขใจเวลาก็ตายเขาก็ตายสงบกันทุกคนกันส่วนใหญนะ่เพราะนั้นเนี่ยต้อมาว่าอยาไปอย่าไปาไปเอาสิ่งนี้เป็นอุปสรรคแล้วจะไปกังวลกับอนาคตที่มันไม่ถึงทำปัจจุบันให้ดีอยู่กับปัจจุบันให้ดีแล้วเดี๋ยวมันไปได้เอง คือบุญมันมีหลายลักษณะหลายวิธีนะบุญที่ทำด้วยทานก็ได้บุญเนี่ยมันมีสิบวิธีนะข้อแรกก็คือทานข้อที่สองคือศีล น, นะมีบุญมากมายที่ทำได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเช่นความศีลนี่ก็ไม่ต้ใช้เงินหรือว่าความอ่อนอน้อมถ่ อ, อตยยมตนเรื่องอภิญญาใหม่ก็ไม่ต้องใช้เงินการมโมทนาอนุโมทนาในความดีที่ผู้อื่นทำ เรียกว่าปฏนุโมทนาใหม่ก็ไม่ใช้เงินใครก็ทําบุญเราไม่มีเงินเราก็นุโมทนาก็ได้บุญเหมือนกันการที่เราทําความดีแล้วเราอุทิศความดีให้ใครก็ตามการอุทิศนั้นก็เรียกว่าบุญเรียกว่าปฏิทานใหม่ปฏิทานทำไมคือว่าอย่างเช่นเรากดหนา้า <c oughs> เรากดหนา้าคือเราแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์เนี่ยเราได้บุญนะไม่ใช่ว่ายิ่งให้ยิ่งหมด มีความเชื่อแบบนี้ในกลุ่มคนบางกลุ่มว่าเนี่ยยิ่งให้ยิ่งหมดยิ่งอุทิศให้คนอื่นบุญของเราก็เลย่องน้อยลงอันนี้มันไม่มีในพุทธศาสนานะการช่วกิจส่วนรวมวัยวัตจำใหม่ก็ไม่ต้องใช้เงินนะภาวนาก็ไม่ต้องใช้เงินเรียก่าภาวนาใหม่คราวนี้สําหรับบุญที่ใช้เงินเนี่ยนะเรียกว่าทานเนี่ยให้ข้อใจจุมงหมาว่าทานเนี่ยเราทําเพื่อลดความตนีไม่ใช่เพิ่มความโลภ ถ้าทำแล้เพิ่มความร่วมนี่ไม่ใช่ทานในพุทธศาสนานะทานนี่ต้องเป็นใบเพื่อลดความต น, นีปุ๊บภาษาบุกกล่าวว่าบัณฑิตเมื่อให้ทานยอนานาอ่ อ, อมไม่ให้ทานเพราะหวังอุปติสุขอุปัติสุขคือการมสราสุขไม่ ใ, ให้ทานเพราะหวังอุปัติสุขหรือว่าเพราะหวังพบใหม่พบใหม่ก็ใช่ไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นโพรมไปเกิดเป็นเศรษฐีในภพหน้าไม่ใช่บัณฑิตให้ทานเพราะหวังเพราะมุงม่งกาจัดกิเลสและการไม่เกอะพบไม่กาะเป้าคุณิพาน นี่คือการให้ทานของบัณฑิตส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการให้ทานแบบบัณฑิตนะเป็นการให้ทานแบบคนหลงให้ทานด้วยจิตที่ยังมีความโลภอยู่<ๆ><ๆ>ก็เหมือนที่คุณว่าเนี่ยเวลาจะให้ทานก็จะดูว่าบุญตัวไหนให้อานิสงส์มากก็ทําบุญตัวนั้นก็เป็นการซื้อหุ้นนะซึ่งชาวพุทธเราเนี่ยเราไม่เลือกหรอกว่าบุญตัวไหนให้ผลตอบแทนสูงจะทําบุญกับสัตว์ก็ได้ถ้าเห็นสัตว์ที่มันทุกข์ยากต่อหน้าก็ช่วยเขา ไม่ใช่ไปตั้งคิดว่าถ้าเราเอาเงินไปช่วยจากแทนที่เราเอาเงินไปช่วยสัตว์ไปไปถวายกับพระอาหารหันต์จะได้บุญมากเป็นหมื่นแสนล้านเท่าเพราะฉะนั้นฉันไม่ช่วยนะไม่ช่วยไม่ช่วยหมาที่กำลังจะตายตฉันเอาเงินไปถวายพระดีกว่าเนี่ยอันนี้ไม่ถูกนะเห็นคนทุกต่อนหน้าสัตว์ทุกต่อนหน้าก็ต้องช่วยนะอันนี้สงสัยน้อยอยู่มากไม่สําคัญพระปฏิสันธ์เนี่ยเคยอุทิศอุทิศชีวิตนี้ให้กับเสือมาแล้วนะเสือแม่ลูกอ่อน มันคลอดลูกมาแล้วมันจะกินลูกของมันพระพุทิสัตว์เป็นเป็นฤาษีนะไม่รู้จะช่วยยังไงนะที่จะป้องกันไม่ให้ลูกเสือถูกฆ่าโดยแม่ของมันก็เลยโดดลงไปให้แม่เสือกินก็เป็นการช่วยชีวิตลูกเสือเป็นการเสียสละไม่เสสละชีวิตเพื่อเพื่อพ่อแม่ไม่ไส้สละชีวิตเพื่อเพื่อประเทศชาติไม่เด้สละชีวิตเพื่อศาสนาแต่ชาตช่วยเพื่อลูกเสือซึ่งเป็นเดรัจฉานตัวหนึ่ง แต่พระโพธิสัตว์ก็ทํานะนี่เราเป็นมหาทานนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้ทําไว้ถูกต้องว่าบุญเนี่ยทานเนี่ยไอ้สงทานเนี่ยไม่อยู่ที่จํานวนเงินอยู่ที่ใจนะใจขณะที่ให้ในมีศรัทธาให้แล้วอิ่มเอิ บ, อบนะระหว่างที่ให้เนี่ยจิตใจผ่องใสให้แล้วใจเบิกบานอิ่มเอิ บ, อบนะนั่นแหละเรียกว่าสัพพุริสตานทานสัตตมุรุษนต ไม่ใช่ว่าต้องให้เงินเยอะให้ของใหญ่ของแพงไม่ใช่กินอยู่ของกูจะเป็นของที่ปันนี่วันนี่ไม่ได้แปลว่าแพงวันนี้แปลว่าใส่ใจเป็นของที่ประยุชน์มีประโยชน์กับผู้รับนะเป็นของที่สะอาดนะให้ด้วยก่อนให้อ่จิตเนี่ยมีความศรัทธาเมตตาให้แล้วระหว่างให้จิตผ่องายให้และใจบริบบาน จะประเคนด้วยมือหรือไม่ได้ประเคนด้วยมือไม่สำคัญนะได้บุญทั้งนั้นนะกรวดน้ำก็ได้ไมกรวดน้ำก็ได้นะไม่สำคัญนะอันนี้แหละเรียกว่าสัพหิตทานหรือทานของชาวพุทธสัตบุรุษว่าก็ขออีกครั้ง น, นะคับืออ่าผมเคยฟังพระเทศน์เขาแปลไอ ในบทขอระบบกร ว, วัฒนาสูตรนะฮอเรจาโคสระทิ้งปัินิสักโคสระ ค, คืนมุติความปล่อยแล้วก็อนารรโยอ่าอาไมอะไรเศร้าโศกครับสระทิ้งสระคืนความปล่อยแล้วก็ ไม่ให้ที่อยู่อาศัยใช่ไหมครับสี่อย่างเนี่ยทีนี้เขาก็อธิบายไม่ไม่ค่อยชัดเจนแต่ผมเข้าใจว่ามันสลักอิเลชใช่ไหมครับคือสลัดทิ้งก็คือ ส, อสลักิเลชใช่ไหมครับกว่าก่านั้นคือสลัปล่อยวางปล่อยวางให้เหมาะสังขารก็ไม่ใช่ของเราสลัดคืน ค, คืนให้เป็นคืนให้ธรรมชาติ ที่เว่าทิ้งสังขารเนะี่ยทิพพระเวลาพระผู้ใหญ่ตายเราทิ้งสังขารหรือว่าสละสังขารเนี่ยก็คือคืนให้เป็นธรรมชาติไปครับคืนสู่ดินน้ำไฟลมผมก็ เ, เข้าใจเบื้องต้นว่ามันเป็นอิสระอิเลสเท่านั้นใช่ไหมครับเรานี่ก็หมายความว่านะมันยังกว้างออกไปมไม่ยึดว่ามันเป็นเ ร, รื่อของเราคืนให้ธรรมชาติไปก็ธรรมชาติเป็นเจ้าของ คืนสูตรดินน้ำไฟลมทิ้งสังขารทิ้งสังขารก็คือไม่ทิ้งคืนให้กับธรรมชาติสลับทิ้งก็คือหมายถึงสังขารด้วยเงินทุนทั้งหมดเลยแหละของเท่านี้นะอ่าเวลา กเป็นคถามสุดท้ายวกันก็ให้เจริารก็คือว่าผู้กส่วนใหญ่ก็ได้รู้จักการจังหวีสารจากหนังสือจากข้อเขียนทีนี้ก็หลายคนก็คงจะรู้ว่ามีอะไรที่ทำให้การจังหสารเนี่ยอยู่ในโรคการสัมัสมานานถึงปานนี้ความรู้สึกที่ที่ผ่านมาที่ได้รับแล้วก็ทำให้ท่าน อยู่ในเส็นธรรมะเนี่ยเป็นยังไรก็คือความประวัติแล้วก็อยากจะให้ได้รับทราบแล้ก็อาจจะเปสงุดใจว่าที่นี่แหละคือสิ่งที่ธรระให้กับสิ่งให้กับคนคนหนึ่งนม่อาจเรียนถามเพื่อนเพื่อนอัตมาก็มาบวชปีส6กก่อนบวชนี่ก็เครียดกับการทำงานทางานป่านื่องมาเจปี นะทำงาน NGO สมัยนั้นยังไม่มีคำว่า NGO นะแต่ว่ามันคือเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือสังคมกลุ่มประสานงานาศาสนาเพื่อสังคมก็ทำงานมาเครียดแล้วก็เริ่มทะเลาะเบาแวงกับผู้คนผู้ง่ายคือเริ่มเสียศูนย์ลวก็เคยไปเที่ยวไปดูหนังก็ไม่หายผ่อนคลายด้วยวิธีการตากก่างก็ชั่วคราวก็เลยคิดว่า ควรจะไปทำสมาธินะเพราะปัญหาคงอยู่ที่ใจเราใจมันเหนื่อยล้ามากกว่าแล้วก็ตั้งใจจะบวชอยู่แล้วนะผัดฟันมาหลายปีก็เลยตัดสินใจบวชก็ตั้งใจว่าจะบวชสักสามเดือนจะภาวนาเต็มที่แต่พอก็ไปภาวนาที่วัดสนามในหลวงพ่อเทียนให้ก็สอนตั้งใจจะมาที่นี่นะแต่หลวงพ่อเขียนท่าไม่สะดวกท่านบอกให้ไปปฏิบัติที่วัดสนามใน แล้วก็หลวงพ่อเทียงซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านจะสอนก็ได้พบกับอนิสง์ของสติทำให้ใจสงบนะมันเกิดความสงบในก็เลยอยากจะบวชต่ออยากจะปฏิบัติต่อ3เดือนแล้วก็ยารู้สึกไม่จุดใจยังอาลัยก็เลยขอขอบวชจำมษาซึ่งก็คือเพิ่มอีก 4-5 หเดือนจำมษาเสร็จก็ขอต่อยให้บวชครบปีเลย พรว่าถ้าสุดล่างก็บวดยากแล้วก็ระหว่างที่บวชนี่ก็ก็ได้เจริญนะได้เจริญสติได้ทำการมฐานก็ช่วยทําให้ใจสงบลงและขณะเดียวกัน ก, นก็เมื่อได้ใคร่วนชีวิตเราก็พบว่าให้การเป็นเป็นค า, ารวะเนี่ยแล้วมีความสุขเนี่ยมันยากนะมันยากกว่าเป็นพระแล้วมีความสุขนะก็ปารถนาความสุขนะเหมือนคนอื่น แล้วิดว่าถ้าเราจะสุกเนี่ยเราเป็นผ้าเนี่ยมันมันง่ายกว่าความรู้สึกว่ารู้สึกถึงชิดคาราวาที่มันร้อนที่เคยประสบทําให้รู้สึกเข็ดหลายังไม่ยังไม่อยากจะกลับไปสู่เพศคาราวก็เลยบวชต่อไปเรื่อยๆบวชวิธีบวชก็คือบวชเว้นเรียก ว, ว่าต่อยุค ป, ปีต่อปีปีต่อปีจากบวชสมเดือนก็เป็นบวชหนึปีบวชหนึ่งปีก็บวช2ปีต่อปีที่สามต่อที่4แล้วอที่ห้า ครบหาพรรษาแล้วก็ยังเสวย้ยังบวชได้และมีความสุขก็ขอต่ออีกหพรรษาก็ต่ออยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยไม่มีอะไรมากในใจนี่ไม่ได้มีความคิดอยากจะไม่ได้มีความคิดว่าจยากจะปฏิอยากจะบวชตลอดชีวิตหรือว่าจริงๆเนี่ยรู้สึกได้ทําว่าบวชตลอดชีวิตนี่แค่คิดนี่ก็เสียแล้วนะโอ้โหมันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ย ก็คงเหมือนโยมมันจะคิดว่านี่ถ้าตายถ้าแก่แล้วเนี่ยเราจะอยู่ยังไงอาตมาบอกไม่คิดไม่สนใจถามว่าตอนนี้มีความสุขไหมตอนนี้มีความสุขวันนี้มีความสุขบวชต่อใชพอมาไปคิดว่าโอ้หเนี่ยเราอายุห้าสิบเราจะบวชต่อได้หรือเนี่ยโอ้โหท้อขึ้นมาเลยอาตมาก็เลิกเลยนะถามเพียว่าวันนี้มีความสุขไหมมีความสุขแล้วเอาบวชต่อแล้วเพิ่มปุ๊บเดียวนึงก็ผ่านไปแล้วสาสบาปี ก็ยังไม่รู้ว่จะบวชตลอดชีวิตหรือเปล่ลานะแต่ว่าก็ไม่ ก, ไมก็ไม่คิดก็ไม่ไม่สนใจนบวชไปเรื่อยๆตอนนี้อายุเท่าไร่ห้าสิบปาร์ขออภัยที่วนาทีอานจากประวัติคุณพ่อก็จบมาแอบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมาก่อนแล้วใช่ใช่คืออินพานนะถ้าคิดว่าจะบวชตลอดชีวิตนะ ม, นมันติดคุกทัน ท, ทีเลยนะ เราเคืรูสแบบนี้มากนะโหเราติดคุกเนี่ยออกไม่ได้แต่ว่าพอคิดว่าเออบวชไปเรื่อยๆบวชไปเรื่อยๆถ้ามีความสุขก็บวชต่อนะพอเมื่อการเดินทางไกลนะเดินทางไกลเนี่ ย, ย่าไปสนใจจุดหมายนะสนใจแค่เดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวเดินไม่หยุดเดี๋ยวถึงเองเพราะนั้นก็ก็เลยทำให้บวชได้โดยที่ไม่ได้สุดทุกข์ร้อนอะไร ก็ถ้าพูดไปก็คืออาศัยกรรมฐานที่ช่วยได้เยอะนะแล้วก็อย่างนี้นคือว่าได้อาศัยหมู่มิตรเลยเพราะหลวงพ่อคำเขียนท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ให้ความอบอุ่นกับเราแล้วก็ทําให้เราสึกมั่นคงปลอดภัยแล้วก็สบายใจในการบวชการบวชนี่ยากส่วนหนึ่งเพราะว่าสิ่งวัดร้อนไม่ดีนะแม้กระทั่งในวันเนี่ยหลายคนเนี่ยสึกง่ายสึกเร็วเพราะว่ามันมีเรื่องขัดแย้งกันในวัดบุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยมี บางทีมีขาใหญ่ในวัดคอยคอยรบกวนรังควานนะหลายคนเนี่ยบวชไม่ได้เพราะเหตุ น, นี้นะมันว้าวุ่นในวัดแต่ว่าอัตมาไม่เรียกว่าไม่ค่อยเจอปัญหานี้เพราะว่าหลวงพ่อท่านท่านก็เป็นจะว่าเป็นกลามิตรหรือเป็นครูบาอาจารย์ที่ให้กวอบอุ่นได้ก็คุ้มของให้ปลอดภัยและว่าให้สบายใจ ก็ถือว่ามีโชคนะลำพังนะถึงแม้กรรมฐานจะอ่อนนะแต่ว่ามีสิ่งว่าล้อมดีมีครูบาอาจารย์ดีมันก็ช่วยประคับประคองให้ไปได้และช่วยเสริมทให้กรรมฐานนี้เข้มแข็งขึ้นนะสรุก็คือวัาตามาก็อาศัยทั้งสองอย่างนะปัจจัยภายในคือกรรมฐานปัจจัยภายนอกคือชุมชนและกลยามิตรนะีหมู่มิตรอย่างเนะจา้าวัฒนชัยต่างๆก็มาช่วยกันทาให้บวชได้นาน ก็ประมาณนี้นะบจะว่าภัยก็จริงๆนะไอ้ไอ้บวชได้นานนี่นะง่ายกว่าแต่งงานยืดแต่งงานให้ยืดเนี่ยยากกว่าบวชได้นาน <c oughs> ไม่รู้แตามาพูดถูกว่านะแต่ตามาสังเกตหลายคนเลยนะการการแต่งงานสมัยนี้มันมันหนึ่งทุบแล้วก็สองมันก็ไม่ยั่งยืนะ มาดูแลนี่โอ้ยบวชให้ให้บวชให้ยาวเนี่ยบวชสามสามปีนี่ง่ายกว่าอยู่ด้วยกันมาสามสามปีเราจะมาว่านะและอย่างมีความสุขนะไม่ใช่ดูไปกัดไปอยู่ด้วยกันกัดกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต่ว่าเวลาเนี่ ย, ววยบวชท่าดมันง่ายกว่าเป็นคารวะ น, นะถ้าปรารถนาความสุขนะแต่ว่าในสายสมณะปัญญาชนเรื่องท่านมอยู่แถวหน้าแล้ว แถวหน้าเพราะว่าระดับกลับฟังมาแล้วติดตามงานของท่านมาสม่ำเสมอเนี่ยการเวลาเนี่ยทันแแปลมาให้ท่าอยู่ระดับแถวหน้าของสังคมไทยแล้วนะครับต า, าก็ผมชื่นชมนะครับก็าต า, า ก, ก็ยังไม่เคยสรางเลยแถาแถวหน้าหรือยังคง <c oughs> เ, เพราะว่าหลายท่านก็ท่านก็ฉลามากเลยนะเช่นจ้นคุณธรรมคุณาภรณ์ผมคุณาภรณ์เนี่ยจริงน้าะแถวหน้านะแต่ว่าท่านก็ฉลาแล้ว นั่นผมกำลังหมายความว่าเวลาที่สังคมกำลังหมุนมาให้พระคุณท่านเนี่ยนะครับมาเป็นสมณศรท่านปัญญาชนที่จะชี้นําสังคมที่จะเป็นจันโรหลักทำอะไรเนี่ยอยู่ในแถวหน้าของสังคมพุทธของเมืองไทยแล้วนะครับเท่าที่ผมติดตามจากปัญญาชนที่ร่วมรับปรานการเวลาจากหลายๆหลายๆง า, า, านก็ดีนะครับเวลานี้ท่านมาอยู่แถวหน้าแล้ว แล้วก็เผื่อว่าข้าท่านจะกลับไปสู่เพศคาะะราวะเนี่ยใจผมก็รู้สึกเสียดายนะครับอยากให้เป็นตดลมหลักเป็นธงชัยของสังคมอยู่อย่างนี้วนกว่าจะมีตัวแทนที่มาอะไรที่มายอย่างนี้นะครับนั่นอาจจะเป็นความเห็นจากตัวผมก็ได้นะครับอ๋อใช่ตมาก็ยังคิดว่าน ถ, ถ้าอยู่ได้ไปเรื่อยๆรี่ดีดีกัตมาด้วยครับเพราะว่าอย่างที่ตาบอกนะ เป็นภาพ้มีความสูงนี่มันง่ายกว่าง่ายกว่าเป็นคลราว่าชอบใจคือใช่ความที่เห็นแล้วคนเชื่อถือตรงตรงที่ในหนังเนีมันแสดงเรื่องอะไรเ้นอะไรอาบัตเหนอคาบคาบเะคนด่าก็เยอะคาบไม่ไม่ไม่ด่าเราชอบใจที่พ่อให้แง่คิด มันควรจะเปิดกว่าแล้วกอนที่สก็ต้เปิดกว้าจริงตอนนี้ก็มันไม่มีอะไรไงเอานะเอาตอนนี้เีย